เญพท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใครสนใจอยากจะเข้ามาถามตอบคำถามก็ถ้าเข้ามาได้ก็ เข้ามาบาวงทีถ้ามันคนเยอะก็อาจจะต้องรอคิวไปก่อนวันนี้เราก็ไปที่เด็กชายนักลุนนักลุนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับถามนะมาสั ก, าาก ถ, าถามว่าหนึงอาจารย์อาจารย์ถามว่าหนึ่งยี่ไห้อาจารย์ถามว่าหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นไม่อยู่ประเทศไทย อ, อ, อ๋อครชบปุ๊นี้ไปปุ๊นี้ไป ฮ่องกงครับอ่าตอนนี้อยู่ไทยค่ะพระอาจารย์กลับมาได้เหรอกลับมาแล้วค่ะกลับมาเมื่อวันเสาร์ค่ะไอ้วันสุกค่ะพรอาจารย์อือสมัยนี้โลกมันเคลื่อนไหวกันอย่างรวดเร็วนะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฮ่องกงอีกค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปนะคะไ้ก่อนนี่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นไปอ่าเลยนะคะคุจะถามเขาวันนี้อ่ะก็กลาวพระอาจารย์ก่อนถค่ะเป็นเด็กดีหรือเปล่าครับ เป็นครับเนาะตอนนั้นราชกรครับพ่อจารย์สอนหรือเปล่าครับไม่ครับไม่สอน้วะโอ้โกหได้เหรอน้องคุณได้ใช่ไหมไม่มีครับอาจารย์มากก่าขอพสบายดีนะไอตลอดครอาจารย์ตั้งแต่หาวอยู่ที่ตัวเราทาดีก็ได้ดีทาชั่วก็ได้ชั่วครับอาจารย์ ไม่ต้องไปขอใครหรอพุทธเจ้าบอกให้ขอที่ตัวเองอัตตาเหฮนตโนนาโถเป็ที่พืชแห่งตนเลยนะคะอ่านั่นแหละค่ะทำดีทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีค่ะพระอาจารย์พยายามค่ะรักษาศีลห้าให้ได้มากที่สุดค่ะนั่นแหละคือทำดีแล้วลวะรักษาศีลห้าได้ก็ไม่ไปติดคุกติดตารางรับประกันค่ะแต่แต ช่วงมูสาเนี่ยมันเป็นเซลล์มันค่อนข้างยากนิดนึงค่ะมันแอบมีคล้ายๆกับมุส่าบ้างค่ะในบางครั้งเราก็ปรับตัวเองได้เราเป็นเมื่อเราอยากจะบอยสุดธิ์เราก็ต้องรู้จักวิธีพูดอถ้าพูดแล้วมันเป็นการหลอกลวงก็อย่าพูดออมันมันเหมือนกับไม่ไม่ใช่หลอกลวงหรอกคะ่ะแต่พูดไม่หมดอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์อ้าถ้าพูดไม่หมดไม่เป็นไรก็ไม่ได้โกหกไงออพูดไม่หมด เขาไม่ถามถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องตอบเราม่ต้องพูดส่วนที่เสียก็ได้พูดแต่ส่วนที่ดีค่ะนั่นแหละค่ะบางทีก็แบบว่าไม่ได้พูดหมดเขาก็บอกนี่ราคานี้พิเศษสุดหรือยังพอจะมีอีกได้ไหมเราก็บอกอืมห่างก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นไปเป็นสเปคไปอืมเราต้องรู้จักหล็กเรี่ยงบ้างค่ะพระอาจารย์ น้องนำไปใช้ค่ะออยากจะเป็นโซดาบันก็ต้องรักษาศีลนี่างกัชีวิตค่ ะ, ะไม่กินแล้วไม่สุบุรี่ไม่ประพฤติิดอันนี้แน่รักษาได้มั่นแต่เหลือติดมูสาเนี่ยค่ะยังยังพยายามพยายามใช้สติถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดเลียงไปพูดเรื่องอื่นไม่พูดแม้เราจะรู้ก็ไม่ถือว่าผิดใช่ไหมคะถ้าเราไม่พูดก็ไม่ผิดค่ะ ได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวกลับจากอฮ่องกงคิดว่าอาทิตย์หน้าจะไปตักบาตรพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าวันเกิดเขาพอดีค่ะค่ะให้ค่อยพบกันนะค่ะกรับนาัสกัญต์พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะจ้าค่ะเจ้าแม่เจ้าที่อันนี้ตัวนามสกัญพระอาจารย์ครับตัวก็ตจะใกล้ๆกันแล้วนะเจ้าทีตามตามจํานดเกี่ยวกับทันนั่นนี่ มีการม่ามาส่งแล้วใช่ครับเอาว่ามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไ ม, ไ, ไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพวนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพรัดพรากจากของ ร, รักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรม <più S 2> เป็นของของตนต มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยเราทํากรรมบันดาดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสิไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวักนเถิดอันนี้ยังกลัวกลัวความเจ็บกลัวความตายอยู่หรือเปล่าไม่ค่อยละค่ะไม่ค่อยยังกลัวอยู่ใช่ไหม กลัวแล้วกลัวแล้วห้ามมันได้ปะไม่ได้ครับนี่ต้องไปกลัวทําไมที่กลัวเพราะไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายใช่ไหมครับ ย, ยอมนี่ไงยอมหยุดเย็นอนยอมลยแล้จะได้หยุดหยุดต่อสู้กับความจริงความจริงเราสู้เขาไม่ได้หรอกความจริงต้องเป็นความจริงเสมยอยอม ร, รับความจริงได้เราก็จะ เย็น ใ, ใจเราก็จะสบายเยี่ยงเท่านี้เพื่อสอนใจว่าต้องยอมรับความจริงนะเหมือนกับเรายอมรับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเรายอมรับได้ใช่ไหมร่าง ก, กายก็เหมือนพระอาทิตย์มันมีขึ้นมีตกเหมือนกัน่มันไม่ให้ตัวเราเราไปหลงคิดว่าเราเป็นตัวเราเป็นรา่นนางกายเราก็เลยทุกกับมัน เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยไม่อยากจะให้ร่างกายตายแม่ให้กายเจ็บ uh huh. ต้องคิดว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนดวงอาทิตย์นห้ามมันไม่ได้ uh huh. ไปล uh huh. ่อยมันเกิดปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปครับ uh huh. แล้วก็ร่างกายนี้มีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ มีผมขนเล็บปั น, นหนังเนื้อเอน็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหวัวใจตับทางเพิดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำสเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื่อ น้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำแส่ข่อน้ำมูดน้ำมูดน้ำใผ่ข่อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็ดน้ำดีเยอะในสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ไซน้อยไซใหญ่ ปอดไตผังผืดตับหัวใจ ม, าม้าเยื่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมนาการที่น่าดูนอยสวยงามไหมไม่ครับคนฉลาดจะเห็นว่าไม่สวยงามคนไม่ฉลาดจะเห็นว่าสวยงามนะเพราะว่าไม่ได้เห็นนาการสามสิบสอง เห็นเพียงห่าอาการเห็นแต่ผมขนและฟันหนังก็เลยคิดว่าร่างกายมีเพียงเท่านี้<อ>แล้วก็ไม่มีอะไรตัวตนไม่มีในร่างกายนี่คือวิธีสอนใจให้มองให้เห็นว่าใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจไม่ได้เป็นอาการสามิบสองใจเป็นผู้รู้ผู้คิดนี่ มีคำถามอะไรไหมไม่มีแล้วครับอ่างั้นไปที่ตะวันต่อกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับตะวันเป็นยังไงคิดถึงแม่ไหมครับมัสการพระอาจารย์ครับช่วยคิดถึงไหมคิดถึงอยู่ครับหรือไม่อยากให้แม่กลับแล้วอยู่กับพ่อสบายก่อนสองคน ก็สบายกว่าแต่มันก็มีว่าผมก็อยากก็ว่าแม่กับมาสบายกว่ายังไงไม่มีใครมาดูอ่ะอืมก็ด้วยก็ <laughs> ด้วย <laughs> ยวงแม่ก็ฟังอยู่นัเนเอยอืมใช่ถา <laughs> มีคำถามอะไรไหมเ อ, อชสองอันครับมาว่ามาเลยเอมข้อที่หนึ่งเ อ, อ ต้นไม้มีจิตไหมเอ่อพูดถึงเอ่อไมตอนไม้แต่แที่เอ่อม่่อยรู้ว่าเอ่ออ่อย่าไม่พูดถึงเช n นเขา he s, he, s, he wants to know if plants have a chitta no ต้นไม้ไม่มีเพราะา จ, จะไปอยู่กับสิ่งที่มีตาหูจมูกเลี้ยงกายตอนไม้ไม่มีตาหูจมูกเลี้ยงกายจิตไม่สนใจ จิตอยากได้ตาหูจมูกนิ้นกายไว้ดูได้ฟังเหมือนร่างกายของเราเนี่ยหรือร่างกายของสุนัขเนี่ยมีตาหูจมูกนิ้งกายก็จะมีจิตไปกเกาะพอใจไหมก็ใจครับอ่านั้นท่านอะไรที่ไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไม่มีจิตโอเคดีกครับอ่านก็ที่สองอว่าทําไมคุณ ลืมว่าถ้ามันมีใครตายเขาก็ลืมในสามวันแล้วครับสามวันสามวันเลยเมื่อเช้านี้ตะวันกินอะไรตะวันจําได้เปล่าเมื่อคืนเมื่อวานนี้ตะวันกินอะไรจําได้ปเปม่าไม่เออผู้ชมช่วยลูเล่าลูครับความจำนี่มันเพราะเรามีความจํำสั้นเพราะเรามีเรื่องรับรู้เยอะรู้จักกระทั่ง ถ้าเรารู้เรื่องใหม่นั่งเก่าแล้วก็ลืมไปนอกจากถ้าเรานั่งสมาธิเก่งๆล้ว ก, ก็จะสามารถย้อนความจําได้ย้อนไปน ถ, ถึงเรื่องคว า, ามจํำถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตได้อรุทธเจราลองชาติมารสชาติก่อนเป็นอะไรรชาติก่อนนั่นเป็นอะไรหน้าที่สมงหน้าท่สามลาไล่เรื่อๆพุทเจ้าไล่ไปได้เพราะฉะนั้นมีพลังจิต เราฝึกสมาธิเยอะๆถ้าอยากจะละ เ, เลิกชาติได้ละเลิกอดีตได้อยู่กคุณพ่อสองคนเป็นยังไงบ้างาคุณพ่อเอาใจมึกหรือดูไม่คุณพ่อดูไหมคุณพ่อดูไหมดูอยู่ครับดูอยู่เหมือนกันเลย ครมัดุมากว่าการคุณแม่กับคุณพ่ออคุณแม่มากกว่าคุณแม่มากกว่า so how are you Marco good thank you t a า a j o a y o u find it hard to look after your son uh yeah it's it's uh, challenging <laughs> my wife my wife is more skilled than it What you do when you have to go to work? You leave him. You send him to school first. Uh yeah. So what we do in the morning is we kind of leave the house together. Uh and I have an agreement with my work, so by the time he gets home, I try to be home at the same time, or I ask him to wait. So it's it's going pretty well. Luckily, I can work also a little bit from home. Um, so it allows me to uh, to be home when he's home. So that's actually it's it's going okay so far. So I'm I'm quite fortunate with the job that I have. r e a h t Okay. Nice talking to you. Thank you, Tanaja. I'll see you next week. Absolutely. Thank you, Tanaja. e x t Ah, next. Ah, next. Ah, n e ่ t Ah, n e ี t า h ิสอยู่ n e x อ Ah, next. Ah, next. Ah, next. Ah, next. Ah, next. ไ h n e x ม a น next. Ah, next. Ah, next. Ah, next. a อยู่ค่ะพอดีว่าเมื่อวานนี้เ e x t Ah, next. Ah, next. Ah, next. Ah, next. Ah, next. Ah, n e x ลวงพอมีอะไรอยากคุยกับเขาไหมคะอ๋อไม่มีละไม่ได้ไม่เห็นหน้าก็เลยสงสัยว่าเขาไปหายไปไหนหรือเปล่าวานเขาไปหาไปหาหมอมานะคะหาหม อ, หอแล้วกดตรงนี้เขาก็เลยมีแผ่นแปะเยอะก็คงจยไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจะโชว์ค่ะแต่เขาก็ฟังอยู่ค่ะฟังฟังเฉยแต่ไม่ได้เข้ามาข้างในก็ค่ะแบบ ดีแล้วค่ะก็ต้องสอนเขาไปเรื่อยๆบางทีคนละวัฒนธรรมะนะคหลวงพ่ออืแต่เขาก็พยายามเข้าใจบางอันก็แบบไม่เข้าใจแล้วก็บอกเธอฟังธรรมะหลวงพ่อเธออ่านหนังสือเนี่ยอ่านจบเร็วมากคืออ่านแล้วเข้าใจไหมเขาบอกอ่านไม่เข้าใจเธอย้อนกลับมาอ่านนะเวลาอ่านหนังสืออ่ะวันหนึ่งอ่ะพยายามทําความเข้าใจแค่แบบหน้าเดียวก็พอไม่ต้องทำํำชาลินหลวงพ่อ ไม่ต้องทําชาเลนจ์ว่าอ่านเร็วอ่านเร็วแล้วก็ไม่ได้ทําความเข้าใจเดี่ยวให้ทําความเข้าใจให้มันดีก่อนหนูพยายามสอนธรรมะเข้าหลายๆอย่างให้เขาเข้าใจเขาก็เขาก็ดีขึ้นนะคะ อ, อาจจะแบบมีปัญหานิดหน่อยตอนที่เขาอยู่กับพ่อแม่นะคะมันก็เลยทําให้อารมณ์เขาก็เลยแบบว่าไม่ไม่ปกติจะ ก, ก็อาจจะโดนกดดันจากพ่อแม่เขามาไงค่ะ มันก็เลยทําให้เขาแบบทําอะไรก็แบบแกล้ากลัวทํำอะไรก็ผิดผิดถูกถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มันม่นใจในตัวเองใช่ค่ะบางอย่างก็มั่นใจเกินบางอย่างก็มั่นใจเกินแต่มั่นใจแบบทําผิดเนี่ยฮค่ะแตรหนูนตกล ง, งไปใช่ค่ะอย่าบางทีแบบว่า ร่างกายอ่ะพอเขากินยาแล้วเขาไปกินแบบเหมือนแบบพวกกินชากินกาแฟยอย่างเงี้ยมันก็จะไปต่อต้านกับยามันก็อธิบาย mm hmm. คือลูกชายอะพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยหนูพูดแล้วเขาฟัง mm hmm. คนเขาแปลกลูกชายเขเออหนูพูดนะพูดนะเป็นปีๆไม่ฟังแล้วก็แบบก็เถียงกันอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่กับม่าม่เออม่าม่าสอนเขาก็เขาก็บอกเขาก็รู้สึกดีที่แบบ ที่ที่ห ม, มาสอนเขาอะอลิศเขาพูดนะคะ mm. ก็หนูก็ไม่ทราบว่าเขาพูดเพื่อเอาใจเราไหมหรือว่ามันจากจากที่แบบข้างในเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะ mm. แต่ก็แต่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเยอะค่ะ mm. เขาแบบเข้าใจแล้วก็เข้าถึงแล้วเขาก็เขาก็อยากเรียนรู้ธรรมะนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกสงบมากขึ้น mm. เขาก็ mm. ถาม mm. ถามหนูว่า นั่งสมาธิตอนไหนเวลาไหนแล้วเขาควรจะนั่งตอนไหนหนูก็บอกว่าตอนเธออยู่คนเดียวเธอทําไปเลยอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างหนูตอนเช้ามาส่งน้องพีเสร็จยังไม่มีใครตื่นหนูก็นั่งฟังสวดมนต์ข้างล่างแล้วก็ฟังทำนั่งสมาธิตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะก็จะสวดมนต์แล้วก็แล้วก็ระหว่างวันบางที อ่าป๊าไปทํางานหนูก็นั่งรองในรถหนูก็ฟังทมแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ในรถนะคะก็ฟังไปด้วยแล้วก็แบบคือทําจิตใจให้สงบอะค่ะได้เราทําได้ทุกเวลาที่เรามีโอกาสใช่ค่ะหนูทําทําตลอดเพราะว่าคือและนี้หนูก็มีคําถามด้วยค่ะหลวงพ่อที่ที่หลวงพ่อเคยสอนเกี่ยวกับอ่าเป็นพระโสดาบันนะคะต้องเจ็ดชาติแล้วคือไม่ลงมาเกิด คือจะไม่ลงมาเกิดเลยเหรอคะคือคือเกิดเกินเในเจ็ดชาติเนี่ยยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อเจ็ดครั้งด้กันก่อนจะไปถึงพระนิพพานก็คือถ้าเจ็ดชาติครบเจ็ดชาติก็คือไม่กลับมาเกิดแล้วเป็นขัาะขึ้นไปสูงขั้นสูงก่อนโสดาบันละขึ้นไปเป็นสกิดาคาก็เหลือชาติเดียวขึ้นไปเป็นนาณาคาก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเย็นตายอย่งไปเกิดเป็นพรหมอยู่พอขึ้นไปเป็นพระอหันก็ไม่กลับมาเกิด <ค>นอนั้นเดิมผมเลยแล้วอย่างแบบอย่างคาราวานอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มันมันไม่ได้อยู่ว่าเป็นคาราวานแล้วเป็นพระมันอยู่ที่จิตของผู้ปฏิบัติว่าเป็นอะไรเป็นพระโสดาบันพระสกริราคาพระนาคาพาาาระอรหันต์อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นพระหรือเป็นคาราวานเป็นได้ทุกคนอยู่ที่จิตของเขาว่าจะเป็นอะไรใช่ค่ะ อย่างถ้าชาตินี้ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นพระโสดาบันชาติแรกแล้วชาติชาติที่สองกลับมาเนี่ยเพื่อจะเพื่อจะต้องไปเป็นก็นต้องไปเป็นสกิรดาข่าก่อนขึ้นไปขั้นที่สองบวชหรือเปล่าคะไม่บวชก็ได้บวช ก, ก็ได้แล้วแต่โอกาสแต่เราจะทําหน้าที่กำจัดกิเลสต่อไปค่ะก็คือคือแบบ ใจมันจะแบบข้ามขั้นไปหรือมันจะเข้ามันจะเจอกิเลสแนละ้วมันจะรู้ว่าต้องจัดการกับกิเลสเช่นพอพอผ่านพระโซดาแล้วก็จะเป็นพระสันติภิกษุาาคาก็ไปเจอการมาลาคะเป็นเป็นกิเลสที่ต้องต่อสู้หลังจากนั้นเริ่มศึกษาสุภาอาการชานที่สองทาง่าศพก็ะจะได้ละละการมาลาคะเพราะเวลามีการมาลาคา้าเราใจมันไม่มีความสุขมันวุ่นวายมันหยุดเย็นลำค่ะ พอมีอสุภะมันก็จะระงับหลักการมาราคะได้มันจะไปเข้ามาเองอ่ะมันจะเหมือนไฟที่มันพอแล้วเริ่มจุดไฟแล้วมันมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆมันมันก็จะไหม้เชื้อไฟไปเรื่อยๆที่ไหนมีเชื้อมันก็จะไล่ไปพอมีดวงตาเห็นธรรมแล้วธรรมนี่ก็เหมือนไฟที่แบบแผดเผากิเลสกิเลสที่มีอยู่ในใจอยู่ตรงไหนมันก็จะไปเผาไปให้หมดไปตาม S <S ไม่ไดเลยนคะครับว่าโซดาบันจะเป็นเจ็ดชาติทุกคนตรงนี้เพราโซดาบันวันนี้พุ่งนี้เป็นสกิดดาคาก็ได้บันเิญนี่เป็นอนาคาหก็ได้ในชาติในอาทิตย์เดียวกันเนี่ยขึ้นไปทีวันวันละขั้นก็ได้ <S <S มีพระรูปหนึ่งขั้นบรรู้สี่ขั้นในขณะที่ท่านโปงผมพอท่า<ต>นเอามีดโกนงอขั้นแรกท่านก็เป็นโสดาพอเอามีดโกนงครั้งที่สองก็เป็นสกิดาคาแต่และคนมันไม่เหมือนกันในชาติแลเร็วอยู่ที่ปัญญา เราอยู่ที่สิ่งแวดเลาวว่ามีภารกิจอะไรผูกพันที่ต้องไปทําหรือเปล่าอย่างพระพระอานน์นี้เป็นพระเป็นพผูพระ้าประทาวพระเจ้าอยู่ยี่สิบกว่าปีเป็นพระโสดาบันยี่สิบห้าปีไม่ยี่สิบกว่าปีเพราะไม่มีเวลาปฏิบัติต่อไปมารับใช้พรพทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเสด็จดับการวัฏจิพานก็ว่างไม่มีงานทํำก็มีเวลาไปบําเพ็ญต่อสามเดือนก็ได้เป็นพระอาหาร แต่แต่ละคนไม่ไม่แน่นอนว่าจะบรรลุช้าหรือเร็วมันอยู่ที่เหตุปัจจัยบางอย่างบางคนไปปฏิบัติไม่ได้เพราะมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ยังต้องดูแลลูกลูกยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ก็เลยเป็นแค่สุดาวนไปก่อนเอก็พอพอพอได้ทราบเรื่องราวแบบนี้มาบ้างแต่ก็ก็รู้สึกตัวเองอ่ะ คือจะคิดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าคือไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากเกิดแล้วแล้วก็พยายามอยากจะแบบว่าทําให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าติดที่มีครอบครัวเนี่ยค่ะมูอกอ้อเนี่ยมันก็ติดอยู่ตรงนั้นเนาะ<ม>ต้องรอให้ตายจากกันไปซะก่อนแล้วแยกทางกันไปซะก่อนแล้วเราอยู่โดดเดี่ยวเดียวได้ทีนี้เราจะได้มีเวลาว่างไปใน ป, ปฏิบัติที่วัดได้อย่างเต็มที่หนูว่าจะไปก่อนเขา ไม่มีใครรู้ถึงอนาคตความเป็นความตายขอยงแต่ละคนมันไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนแพร่นก<ม>็อย่าประมาทแพร่นาขณะที่มีชีวิตอยู่ทำเท่าเท่าที่เท่าที่เราทําได้ขั้นไหนก็ทําไปตามขั้นของเราขั้นสมาธิก็ทําขั้นสมาธิไปมีขั้นรักษาศีลก็รักษาศีลไปอืมขั้นภาวนาขันจเจริญปัญญาได้ก็เจริญไปโำไปเรื่อยเต็มเต็ม เตรียมเตรียมอาวุธไว้เรื่อยๆสะสมอาวุธไว้เนี่ยนี่เป็นเหมือนอาวุธต่อสู้กับตีเล็ใช่ค่ะจึงถ้าคนที่จะแบบปฏิบัติแล้วแบบได้สําเร็จไวก็ต้องมีแบบของเก่ามาก่อนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะหลวี่มีของเก่าแล้วก็มีโอกาสของใหม่มีโอกาสไม่ติดภาระผูกพันเกับใครคไปบวชได้เลยปบบปฏิบัติพอซ้ำไปกับธรรมแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ไปบวชได้เลย จะได้ที่เป็นผู้หญิงแต่ก็ปวดชีได้ไดมันได้แ<ด>ม่ชีก็บรรลุได้มันภิกษุณีก็บรรลุเยอะแยะไปหมดมันไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยหรอกมันอยู่ที่ธรรมของเราว่าเรามีมากมีน้อยอยู่ที่ตัวเรานนล้วนๆพรุ่งนี้หนูก็จะไปทําบุญเลี้ยงพระเพนะคะนี่ทําไปเรื่อยๆล้วอยู่ขั้นทานก็ทําทานไปทไรรําายได้ก็ทําไป ตลอดเนยอานสะีธรรมน่าสามขั้นเนี่ยอันไหนทําได้ก็ทำไปหรือ ม, มีหลวงพ่อเป็นกําลังใจอืน้องพีมีคําถามไหมน้องพีมีแล้วเปล่ามีค่ะถามเลยครับถ้าเกิดเราทําอะไรทําอะไรให้ตัวอะไรตายที่แบบที่เราไม่เั้าใจทําให้สัตว์ตายทําให้สัตว์ตายแบบไม่ ที่เราไม่ตั้งใจเราจะบาปหมครัก็เวลาเราทําการแต่งแล้วการมันแต่ง ก, ก็บ้ า, า่ะแต่เราจะมีเจตนาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจานมันก็แตกใช่ไหมอืมมันไม่บาปมันไม่เป็นกรรมมันไม่เป็นเวรกรรมแต่มันก็เป็นความเสียหายที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นถ้าเราพยายามมีสติอย่างทาอะไรพยายามถ้าเกิดใครมาทําให้เราตายแต่เขาบอกเขาไม่ตั้งใจนี่เราจะไปโกรธเขาไหมา อไม่โกรธใช่ไหมแต่แต่เราอยากก็ทํำไหมเราก็ไม่อยากก็ทำใช่ไหมเราไม่อยากตายกันทุกคนดังนั้นถ้าทําโดยไม่ไม่มีความตั้งใจไม่บาปนะคือไม่มีผลไม่ได้ส่งให้เราไปต้องไปรับผลบาปแต่มันจะทําให้เขาเสียหายเดี๋ยวนอนซึ่งเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ควรที่จะทำนั่นั้นต้องทำอํำเลย ถ้าเราผิดพลาดไปแล้วเราต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในคราวหน้าอย่าทำซ้ำอีกอย่าทำผิดซ้ําอีกออไม่ใช่จ้าว่าะวาไม่มีเจตนาแล้วก็ทําให้เขาตายทําให้นั่นตายทําให้นีนตายไปเดินออแบบรวังทําอะไรแบบไม่ระวัน อ, อ่อันี้ก็ต้องมีความระมระวังถ้าไม่ไม่มีเจตนามันก็เกิดความเสียหายได้ซึ่งเราก็ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเขาเสียหายจากการกระทําของเรา แต่บาปไม่ยังไม่ถือว่าบาปบาต้องมีความตั้งใจเจตนาที่จะทําทําร้ายเขาที่จะฆ่าเขาคับเพราะว่าเมาืม่อกีนี้หนูก็เล่นเล่นหุ่ยนยนต์แล้วมันมีแมงมุมเดินมาพอดีแล้วหุ่นยนต์มันก็เหยียบอ่าเพรหนูไม่ได้ตั้งใจไม่บาปนะแต่แมงมุมเขาบอกว่าถึงว่านไม่บาปฉันก็ทนฉันก็ต้องรับคอจากการไม่มีเจตนาของคุณอ่า ไม่คิดลงตาทาค่ะอลิซหรือลูกชายเดืินโผลหน้าเข้ามาไม่ได้แล้โอเคนะมีอะไรไหมมีมค่ะข อ, อให้ผ่านนะแ<ต>ขก<า>พยายามทําอะไรให้มีสติมากขึ้นนะอย่าไปทําให้เขาพูดเขาเสียหายเดือดร้อนถึงแม้จะไม่มีความตั้งใจมันก็อาจจะถูกเขาจองเวรจองกรรมได้นะพอไปทําำเขาเสียหายเดือดรนะ้อนแล้วเขาก็อาจจะจองเวรเราก็ได้ ก็อาจจะโกรธเราแค้นเราทายเขาก็ได้โอเคนะการแล้วมาจัดต่้งตาไปคุณหมอพิเชษเจันคุณหมอพิเชษดการ น, นมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายศาสนาสอนให้เราเห็นความจริง ก็ความจริงที่เรามองไม่เห็นกันก็คืออริยสัจสี่เราไม่เห็นใจลักเราเห็นกับตาลปัดเห็นเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกที่มีแต่ความสุขนี้เห็นโลกธรรมราบยศสรรเสริญรูปเสียงกินแล้วว่าเป็นสุขแตความจริงมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะมันมันเป็นสุขชั่วคราว มันเป็นสุขเดียวเดียวแล้วเดียวมันก็หายไปเอามันหายไปทุกข์ก็เข้ามาแทนที่คนที่สูญเสียความสุขไปมักจะร้องหอบร้องไห้เสียนเสียคนที่เขารักก็คนที่เขารักคนที่เขาให้ความสุขกับเขาพเกาจากไปก็เศร้าโศกเสียใจเนี่ยไม่เห็นว่ามันเปิดความทุกข์ในการที่ไปรักใครไปชอบใครเวลารักเขาชอบเขาอยู่กับเขาก็มีความสุข แต่พอเวลาเขาจากไปความสุขนั่นก็หมดไปเหลือแต่ความเศร้าโศกเสียใจไม่เห็นความจริงว่าโลกนี้มันเป็นโลกของความทุกข์ว่าถูกความสุขมันปิดบังอยู่มันมีความสุขบางหน้าไว้อยู่ เ, เหมือนยาขมเครื่อนน้ำตาลคนไม่ฉลาดก็คิดว่ายาที่อมนี่จะมีแต่น้ำตาลจะหวายไปเรื่อยๆออ้มเมื่อพักเดี๋ยวน้ำตาลที่เครือบผิว เคลือบยาขม อ, อยู่มันก็หมดไปความขมของยาก็จะปรากฏให้ได้สัมผัสเนี่ยนี่คือโลกของเราที่อยู่กันมันมีความสุขผิวบางๆคอยคอยหุ้มห่อความทุกข์ที่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นความสุขนามยศสเสริร์ลรูปเสียงยินร้อนเนี่ยมันเป็นทุกเพราะมันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับ มันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถควบคุม บ, บังคับเก็บเอาไว้ให้มันเป็นให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาเดี๋ยวพระเจ้าสอนให้เราเห็นตายรักเห็น้นิจจังทุกขังอนัตตาทุกเพราะว่าเราไปอยากให้มันเที่ยมเราอยากจะให้มันอ ย, อยู่กับเราไปตลอดคนที่เรารักเราชอบก็อยากให้มันอยู่กับเราไปพอเขาจากไปก็ทุกข์เพราะเพราะความอยากทําให้ใจทุกข์ไม่ใช่ ไม่ใช่การจากเอาไปของเขาที่ทำให้เราทุกข์ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องจากไปแล้วเราไม่เล <W> ื risen, ่มีความอยากให้เขาไม่จากไปเราก็จะไม่ทุกข์ได้พระพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถแก้ความทุกข์ใจได้ด้วยการละความอยากที่เรามีอยู่กับสิ่งต่างๆอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราอย่าไปอยากให้เขาไม่จากเราไปเขาก็จากเราไปแล้วเราแค่จะทุกข์แต่ความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าไปอยากให้เขาไม่จากเราเมื่อถึงเวลาเขาจากเราไปก็ต้องปล่อยเขาไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้นึ่งเขาไว้ไม่ได้เราก็ต้องทำใจเฉยๆไปเทั้งนั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์ได้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้า ส, สอนให้พวกเรามองกห้เห็นความจริงโลกทั้งใบนี้สึ่งสิ่งตัวอย่างนี้มีในโลกที่จิตเรามาสัมผัสรับดูนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นก็เป็นของชั่วคราว แต่เรมองไม่เห็นกันเราต้องจะคิดว่าเป็นของที่จะเป็นให้ความสุขเอาชั่วตามนิรันดร์มิได้อะไรมาก็คิดว่าโอ้เราจะมีความสุขกับสิ่งนี้ไปตลอดแต่ได้ไปไม่นานริ่งนี้ก็กลายปัญญาพิกก็มีนะแต่งานยังไม่กี่เดือนเมื่อข้าไม่ทันดําก็อยาเป็นก็มีเนะี่ยเพราะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยมมันเปลี่ยนแปลงได้ออื ันี้ต้องมองให้น้องทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงมีมีสองด้านมีสุขและมีทุกข์เวลานจะด้านสุขแล้วอย่าไปอย่าไปดลงเชื่อว่ามันมันเป็นสุขอย่างเดียวเดี๋ยววันดีคืคนดีมันก็พลิกมาเป็นทุกข์ได้อืนี่ก็คือความจริงศาสนาสอนให้ด้วยให้เห็นเข้าใจระับตายลักทุกสิ่งในโลกนี้เป็นตายรักหมดรูปเสียง mm hmm. กลิ่นรสก็เป็นตายรัก ตาผมจะบวมนิ่นกายก็เป็นตายแลอวอะไรทั้งหลายทั้งนั้นปวงก็เป็นตนายแล้วราบยศสรสรสุขก็เป็นตายแล้วออย่าไปอยากได้สิ่งเหล่านี้อยากแล้วมันจะยึดจะติดไม่อยากให้มันจางเราไปพอมันจางเราไปก็ทุกข์สงบเยาะเยาะความจริงศาสนาสอนให้เห็นตายแล้ อ่าไป ม, มีอะไรอยู่แบบพระพงค์เจ้าสาวให้พระไมาให้มีทรัพย์สมบัติอะไรมีเพียงแปดชิ้นนะ่นทรัพสมบัติเพื่อดำรงชีพของพระมีบาตรไว้ใบหนึ่งไว้หาอาหารมีผ้าจีวรสามผืนไม่สวมใส่ที่อยู่อาศัยก็อาศัยอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามถ้ำไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องไปกับบงวลกับวันแล้วยา ไม่สบายก็ให้ดื่มยาดองน้ำมูลน้ำปัสสวะให้ดองยาไว้ไปเอาพวกผลไม้ผลหมากร่างไม้ม า, มาดองกับน้ำปัสสวะแล้วเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มน้ำปัสสวะน้ำยาดองนี้่ก็พอจะเยียวยาได้อยู่แบบไม่มีอะไรมากผ้าสามพืนแล้วก็ที่ปัมีบาตหนึ่งใบผ้าสามพืนก็สี่ชิ้นนะ ชิ้นที่้าก็คือให้มีเข็มขัดรัดเอวเนี้อประกเอวเพราะผามันไม่มีไม่มีซิปไม่มีอะไรอ้ามันเป็นถ้ามันผ้นาถูงต้องมีไนมาร์ตไว้เนื้อหลุดถ้าไม่มี <c oughs> แล้วก็ชิ้นที่หกก็คือให้มีใบมีดก่อนมีดกนแล้วปงผมปงผมปงหนวดอ้าหกแล้วชิ้นเจ็ดก็คือ มีที่ที่กรองน้ําห้แปดข้อเป็นสามสี่หนึ่งสาสี่ห้าก็คือปกกนเอลหกก็คือใบมีกรเร็ดก็คืออที่กรองน้ําสมัยก่อนต้องตักน้ําจากลําห้วยเขียนก็ได้นนแล้วได้กับเขียนไว้สำหรับซ่อมซ่อมเวลาจีวารขาครัดให้มีแค่นี้เป็นสมบัติของตัวเอง เอ้เมตุกถ้ามีอะไรมันจะต้องทุกข์มีรถก็นังทุกข์กับรถยนต์มีบ้านก็ต้องทุกข์กับบ้านมีอะไรก็ต้องทุกข์กับมันเพราะต้องดูแลรักษามัน <c oughs> ให้หาความสุขจากความสงบเพียงอย่างเดียวพอถ้ามีความสุขจากความสงบแล้วไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขด้วยเพราะไม่มีอะไรนอกนี้ที่เป็นความสุขแท้ๆไม่มี ในสุขที่มีความทุกข์ผสมมาอยู่ทุกชนิดเลยทุกอย่างเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่มีสารเจีอบนสารมะเร็งสารกอร่อมะเร็งเจือบนกินแล้วก็จะต้องเป็นมะเร็งไม่ช้าก็เร็วความสงบนี่เป็นอาหารที่สาดบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อของความทุกข์เลยไม่มี นั่นฝึกสตินั่งสมาธินี่ก่นแล้วตัดความอยากให้หมดไปนั้นใจม็จะสงบตลอดเวลานี่ความสุขตลอดเวลาอาจารย์นะเขนะ้าใจมากขึ้นมากครับอาจารย์ขอบคุณสูงครับาไปคุณยายกับสันโดษ ตัวใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วสำนะเนาเน้นคําว่าอ อ, อุดมสมบูรณ์แม่แต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ปัญญาไม่ใหญ่ตามนะเนื้อปัญญาใหญ่ตามอ่ะใหญ่อยู่ครับพระอาจารย์เอ๊ะพระอาจารย์ดูทางกล้องดูด้วยเหรอครับพระอาจารย์นึก mm hmm. ว่าแบบวงกล้องจะช่วยทาให้ดูตัวเล็กลงวง <laughs> กล้องไม่ช่วยใช่ไหมครับอาจารย์ ก็แล้วแต่คนมองอะแต่มองยังไงถ้ามองแบบอ้วนนะอ้วนไหมอ้วนใช่ไหมโตขึ้นใช่ไหน้ำหนักเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นตามวัยครับผมแล้วก็พอเรียนหนักมากขึ้นก็ไม่ได้ออกกําลังอืมสะสมอาหารที่ทานเข้าไปมันก็ไม่ได้ไปเผาผลาญที่ไหนก็อย่าไปกินให้มากเลยกินไห้มากเยอะมากน กินพ <In> อประมาณเดี๋ยวโลกภัยใข้เจ็บก็จะตามมามาหวงมาหวานโรคหัวใ จ, ดจดเดี๋ยวจะไปทานให้น้อยลงนะครับมีอะไรไหมอันนี้พาคุณยายมากราบพระอาจารย์ไม่มีคำถาม มับกามกันจัดแล้วก็มาเข้าคอร์สเรียนเดี๋ยวตกเดี๋ยวสอบตกเรียนทำกันมาได้ถึงท่านอยู่ค่ะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะอก็ที่จอยืนยืนทานไปทุกขมันถึงเวลาแล้วปล่อยให้มันไปปล่อยให้มัแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปนะะเราไม่ได้ตายไปกับมันเราไม่ได้เป็นมันเราไม่ได้เป็นร่างกาย คอโอเคนะทำกันบ้านอยู่นระอาจารย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาโชว์คุณพร้อมลงทำใจให้สงบนะวนมง่ายพานั่งสมาธิไปาำยจจะไม่ทุกข์กับร่างกายโอเคสาธุขอบคุณครับอาจารย์ท่านแข็งแรงครับโอเคท่านต่อไปคุณหมอนาทวุฒิวันนี้เข้ามาเร็วหน่อยนะ สดกลับสมัชชาครับค่ะพรจอาวันนี้เขามาได้เร็วครับมีดีเดย์แล้วยังกำหนดดีเดยไว้ได้ยังอ๋ออีกสามวันนะครับอสามวันนี่เหมโอเคครับเดี๋ยววันมันศุกต้องไปเข้าไปอยู่วัดนะครับอ่าดีครับก็จะได้ออกธนายินดียินดีด้วยครับสามารถที่จะเข้าสู่โลกกาสาวพันได้ครับครับผอ อยากให้ปอาจารย์ให้โอวาททำนิดนึงครับการได้บวชนี่ไม่ใช่เป็นของการได้บวชี่ไม่ใช่เป็นของได้บวชที่ได้บวชนี้ต้องมีบารณีมีความพร้อมมีความมุ่งมั่นอย่างจริงๆถึงจะบวชได้ถ้าบวชแบบจริงจังนะไม่ใช่บวชแบบตามประเพณีบวชเพื่อกำจัดกิเลสบวชเพื่อนาสังสารวัตเคำว่าภิกษุคือผู้เห็นภายในวัฏฏสงสาร S <S เป็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดกนะารที่จะหืุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเมืวัตอสาสัยมรรคแปดนิสสินสมาธิปัญญาตายสิกขาเป็นเครื่องมือที่จะพาให้ออกจากตายรักได้การมาบวชก็เพื่มมาม า, ม า, ม, ามาปฏิบัติตายสิกขาคือศินสมาธิปัญญาหรือมรรคแปดนี่องอย่าลืมเป้าหมายอยู่นะอย่าลืมหน้าที่ของพระภิกษทุที่แท้จริงครับนะ แต่ส่วนปัสมัยนี้มันถูกอย่างอื่นมาคล้องานไปหมดใจเป็นกิจของสงฆ์ไม่ต้องกเป็นต้องไปสวดมนต์ต้องไปกิจนมนต์ต้องไปปลุกเสกต้องไปอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ได้เก่งได้ศึกษานศึกษาพุทธประวัติศึกษาคําสอนเนี่ยทนสอนเพลงอย่างเดียวให้ปฏิบัติมาร์กแปดศีลสบายที่ปัญญาอย่าลืมเป้าหมายอันนี้อย่าลืมหน้าที่อันนี้ อันอื่นที่ก็บางทีอาจจะเป็นก็ต้องทำบ้างเพราะเราไปอยู่ในสังคมของเขาก็ อ, อ น, นุโลมแต่อย่าให้มันมาทำลายงานหลักของเราก็แล้วกันพยายามปฏิบัติอีกสกวคือผู้เห็นภายในว่าตัดสงสาร อ, อ, อนันก็พยายาม พยายามเปกหาที่วิเวกหาที่เราที่เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ายัางในช่วงแรกๆยังต้องอยู่ศึกษากับคน น, คนั้นคนนี้ก็ศึกษาไปเพราะมันก็มีอย่างเอาอย่างที่เราต้องศึกษาในฐานะที่เราเป็นพระเราก็ต้องรู้จักกิจของพระว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเป็นองปฏิโมกต้องอต้องมีอะไรที่เราต้องควรจะรู้ก็อ่านอ่านไปเรียนไป เราจะพยายามนำน้องไปปฏิบัติครับผมก็คิดว่าออกไปก็คงสติเป็นหลักสติเป็นหลักเวลาปฏิบัติจะสียงจะรับสารไมบริสุทธิ์นั่งก็าสติอยู่ในกลองคนเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับสตินั่งสมาธิปัญญาเราพอจะรู้แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราขาดมากตอนนี้ก็คือสติกับสมาธิมากกว่าใช่ครับสองอันนี้ยังนี่ หายไปหมดแล้วครับไปครับต้องกลับไปรฟื้นใหม่ครับคงแต่คิดว่าปฏิบัติไ่เป็นรูทำไปทําตามหน้าที่แล้วก็ทำมาได้ทั้งวันครับนะปรมหยับปฏิบัติให้เต็มที่ครับนะบวชแล้วก็ต้องอยู่ที่วันอีกสองอาทิตย์นะที่ลาภเพียรสองอาทิตย์ครับนะับแล้วก็เราก็ได้ออกปฏิบัติครับนะส่วนยี่สิบกว่าน่าจะได้ไปครับนะ โ <Okay. S 1> อเคครับผมอ่าก็ทำไปตามขั้นตอนนะใช่ครับผมครับอ่าขอบพระคุณพอาจารย์ครับโอเคสร้างชค่วอ่ะมตายคุณตายเมื่อไหร่จะบวชบวชั่วค้าวก่อนถามกลับนกกามสกันค่ะพระอาจารย์ก็จริงยงก็ยังติดอยู่พระอาจารย์ยังไม่เห็นภายในสงสารเนี่ เต่ดในสงสารทรงสารสาละวันอยู่พยายามยมก็พยายามอย่างเมื่อวานอย่างเมื่อวานยมก็อดข้าวอดข้าวยิบสี่แต่ตั้งสัจจะไว้พ่อจะอดสาวันพระอาจารย์แต่พอดีร่างกายมันไม่สบาย <c oughs> ก็เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมายมกินยาเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นหน้าอกมันหายใจไม่ออกเอจะเอาอยัางไงดีแล้วก็กังวันวันนี้ก็เอเราจะเอาอยัางไงจ้พแบบว่า กินเแล้วมัคงหลอกอะค่ะพระอาจารย์มันคงหลอกแล้วว่าเรากินไปก่อนร่างกายไม่สบายอะไรอย่างนี้จริงเรื่องคำพูดของพระเจ้าบอกให้สละชีสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมค่ะก็เลยบอกกับตัวเองว่านเราเอาเริ่มเริ่มทีเราไหนน้อยก่อนดีกว่าหรือว่าอดอดเออสักประมาณหนึ่งวันก่อนครั้งละวันอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์แล้วอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ยมก็อดได้ไป วันครึ่งนะคะพระอาจารย์วันนี้ยอมว่ากินข้าวสิบเอ็ดโมงตอนเย็นก็ไม่ได้กินแล้วก็ถ้าคิดว่าก็จะหัดอย่างนี้ไปก่อนนะคะพระพระอาจารย์อย่างน้อยก็ได้คะแนนดีมีความตั้งใจก็ไ่พยายามทำแล้วกินเหล็ดมันก็หลอกยังไม่ได้คะแนนล้มเหีวแล้วค่ะก็กินเหล็ดมันก็หลอกเรารู้ว่าหลอกพอกินข้าวไปแล้วจนอิ่มแล้วอ่ะโอเอยอีก อีกนิดเดียวเราก็จะครบสองวันอีกนิดเดียวก็จะครบสองวันแต่ทาไมจากเราไม่พน้นไม่ผ่านแล้วมันก็หลอกเราว่าก็แค่อดข้าวแล้วก็ไม่ถือศีลศีลแปดก็ไม่ถือเราจะได้อะไรมันก็คือคำถามมันตั้งอยู่ในใจอย่างนี้โยมก็มองดูว่ามันเป็นกิเลสของเราแน่ๆเลยที่มันหลอกให้เราถามว่าเราแค่อดข้าวแล้ว เราไม่รักษาสินแปดแล้วเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยคะค้าก็สินแปดสินก้าวัวก็อดข้ามก็มันยังต้องทํางานต้องยังเจอคนอะไรอย่างเงี้ยโยมก็คิดว่ามันใจยังก็ไม่สงบเท่าไหร่อาจารย์มันไม่เกี่ยวกันเนี่ยเราตั้งใจจะอดข้าวมันก็เอาเรื่องเขอดข้าวมาย้อนเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องทําไมนั่นแหะสิคะมันโดนประเด็นแล้วมันหลอกาให้ไปคิดเรื่องอื่นมะให้เรากลบเรื่องที่เราทําไม่ทําเนี่ย ใช่คะ่ะโยมก็ว่ามันหลอกเราโยมก็มองเห็นมันว่ามันเป็นกิเลส น, นะคะแต่ว่าโหก้าวขามไม่ได้วันนี้กินข้าวอิ่มไปปุ๊บอิ่มจนแบบโอ๊ยทําไมเนี้ยทําไมต้องกิน <c oughs> ก็เลยบอกคินในใจว่าเดี๋ยวแล้ว ถ, ถ้าทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะอดอีกก็คือพรุ่งนี้ก็จะอดอีกข้ะวผัดฉันอ่าต้องสู้ไปเรื่อยต้องสู้ไปเรื่อยค่ะแ ต, แต่กาคิดคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าเราถ้ากําลังเรายังไม่ไหวแล้วก็ สัจวันเอ่อแบบว่ารักษาครั้งละวันก็ได้นะพาจาริญเนอะหรือว่าก็ดต้อ ง, องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ ต, ต้องดูกําลังว่าเราทําได้กี่วันอค่ะแล้วเบื้อ ง, งต้น้เนี่ใจก็เอาวันหนึ่งก่อนแล้วก็สองวันแล้วก็สามวันเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะแต่พอดีกินยาด้วยอ่ะพราจาริญแต่ยมก็ทิ้งยาหมดเลยนะที่ไปหาหมอมายมก็ทิ้งหมดเลยไอ้ที่หมอให้มายมก็ไม่กินกินไปมือ้อกินยาไปมื้อเดียว แล้วก็กินเออยอมโยเขาก็เอายาเป็นวิตามินเฉยๆให้โยมแล้วเขาถามว่าจะกินยาที่หมอให้มามว่าไม่กินแต่เอกกินวิตามินพอกินไปเยอะๆแล้วมันจะจะอาเจียนรู้สึกไม่ค่อยดีเลยก็เลยว่าไม่เอาละแล้วก็วันนี้ก็เลยแบบว่าเอ๊กเอาไงสองจุดสองใจกินข้าวต่อดีหรือว่าอะไรแต่ก็แพ้แล้วค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวค้าน้าตั้งใหม่ค่ะอาจารย์ ไไเรื่อยความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นนะมรัอาจารย์อย่ายอมแพ้ก็แล้วกันโอเคค่ะสาธุครับอาจารย์ไปเรียกคนันชิด่ใต้หวันนะนองกับอาจารย์ก็รับตันนี้หนาวไม่ใต้หวันวันนี้ไม่หนาวครับวันนี้สิบเก้าองศาครับ มันก็ติหนาวนี่หนาวสักเกี่องศาว่าอาทิตย์ที่แล้วมันก็หนาวลงมาเจ็ดองศาครับถ้าเป็นยอดเขาก็จะเป็นสองถึงสามครับมีหิมะไหมยอดเขามีมนะียังไม่มีครับไม่มีนะครับมีอะไรไหมวันนี้วันนี้เข้ามากราบาอาจารย์ครับและรู กิเลสมันหลอกออกไปเรื่อยๆแล้วก็เลยอยากเข้ามากรนะาบไหว้จารยว่ามันเป็นกำลังใจกำลังจิตใจครับก็ฟังไปเรื่อยๆฟังอย่างการปฏิบัติของคนหนึ่นปัญหาของคนหนึ่ง น, นะมันก็เหมือนเหมือนกันครับเราพยายามรักษาสิ่งห้าครับอืมเราอยู่ขั้นไหนก็พยายามทํารักษาขั้นนั้นให้ได้ไว้ก่อนนะแล้วค่อยไตาเต้าขึ้นไปครับ โ <Okay, S 2> นะอเ ค, ะ ค, น, คนะครับอ๋อแบะอาจารย์ธานุกันแข็งแรงครับพระคันที่เดิมาวันนี้อดเข้าเห็นหรือเปล่ากล่าวธรรมสการ์ค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่ได้อ ด, ด, ดอค่ะได้แค่ติดคอค่ะย้อนท่านกิเลแล้วช่วงนี้กิเลนเยอะหน่อยค่ะพระอาจารย์ค่ะให้มันลาไปวินว่ายตายเกิดต่อไปนะไมไม่เอาค่ะพระอาจารย์ ไม่อยามันก็มันลากไปแล้วไงไม่เยมันเลยพยายามจะเริ่มใหม่ค่ะอาจารย์โอเคต้องพยายามนั้นต้องสู้นั้นจิตตะทาคนีห้เป็นนักสู้ไม่ให้นักหลบนะเป็นนักเป็นนักลบไม่ให้นักลบสู้ต่อค่ะะอาจารย์ครพรุ่งนี้เข้าไปกลับอาจารย์ค่ะอาจารย์นักข่าวแ่าต่อไปคุณ นาฬิตาไงใช่ไหมบอกการนาฬิตายูโคลาสไน้อมาสการถามพระอาจารย์ใช่ไหมลลยูโคลาสนะใช่ไหมชใช่ค่ขอขอนะพระอาจารย์วันนี้มีอะไรไหมวันนี้มีสามคำถามเจ้าคะอ่าว่าอะไรคือเวลาที่เห็นอ น, นิจจังภายในตัวเราอย่างเช่นเวทนามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปมันก็แรกแรกก็ ก็รู้สึกดีใจอยู่เจ้าค่ะหลังๆก็เฉยๆแล้วเพาะว่าเห็นมันเปลี่ยนมันหายมันก็เห็นบ่อยขึ้นมันก็เฉยๆแต่เวลาเห็นสิ่งนอกตัวมันเปลี่ยนแปลงมันก็จะยึดมันก็จะเลิกยึดทีละอย่างทีละยางจนสุดท้ายก็เหลือแค่ยึดพ่อแม่กับพันธุนาฏัยแล้วพอพอเลิกแล้วเมื่อเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ก็เลิกยึดพ่อแม่ไปเพราะว่ามันเห็นอันนี้จังของพ่อแม่แล้ว ทำไมหนูเข้าใจว่าถ้าเราเห็นอนนี้จังแล้วจิตเราจะผ่องใสแล้วเป็นอิสระอะค่ะแต่ว่าทาไมเปจิตใจหนูมาถึงคนหอตกเศร้ายังไม่เห็นจริงยังไม่ได้ปล่อยจริงยังไม่ได้เห็นจริงเห็นแบบจินตนาการยังไม่ได้เห็นแบบของจริงโอ้ต้องงเห็นเวลาที่เขาตายไปจากเราไปแล้วจิตเราเฉยสบายไม่เดือดร้อน เราทำยังไงเราถึงจะปล่อยได้จ้าค่ะอ่าก็อย่าไปยึดสิอย่าไปยึดท่านใดทำจิตให้วางเฉยเป็นอุบเบกขาเราจะอยู่จะไปก็ไม่เดือดร้อนไม่ไปกงักวงกวล ก, ว ก, ว ก, วกวับเขาต้องไปด้วยด้วยสมาธิด้วยอุบเบกขาถึงจะปล่อยได้ปัญญาเพียาสอนให้ปล่อยแตเครื่องมือที่จะปล่อยก็คือสมาธิอุบเบกขา คือเราเหมือนเรายังเห็นอันนี้จังไม่มากพออย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะเห็นอันนี้จังแต่ว่ามันเรายังไม่ปล่อยเนี่ยเราก็เลยใจเราเลยไม่เบาถ้าปล่อยจริงๆแล้วใจเราจะเบาวิธีที่จะทำให้จิตเป็นอุเบกขาก็คือสมาธิเข้าสมาธิไปแล้วออกจากสมาธิมาแล้วมองสิ่งที่เรายึดไปติดแล้วก็พิจารณาว่าเป็นอันนี้จังหรืว่า ปล่อยให้เขาเป็นไปก็จะแก่จะเจ็บจะตายก็จะเป็นอะไรเขปล่อยไปไม่ไปวิตกไปกังวลใจก็จะเบาสบายใจไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไปออแล้วครบอาจารในี้ยึดได้ไหมครับาาอพร ะ, ะรัตนัยดเพราะนมั่ที่เา้น่อยึดได้ม้ปอย้หคะแล้วพระตนยดได้ไหมครับอาจารย์อ๋อพระัตนตต้องยึดเสิเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการปล่อยวางเลยยึดได้ถาวรแบบไม่ต้องไม่ต้องปล่อยแล้วใช่ไหมเจ้าคะ แต่ว่ายิ่ได้อย่างเท้าว่ก็ได้เพราะว่าเป็นที่พึ่งของใจเป็นผู้ที่จะสอนใจให้รูจ้จจกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอืมอเจ้าขอคำถามที่สองเจ้าเ ว, วลาปฏิบัติเจ้าขอเมันจิตมันพากะนะคะเหมือแบบเหมือนสมมติว่าหนูเดินตรงตรงอยู่แล้วหนูเห็นเท้าจิตมันเห็นเท้าบางทีมันก็มาเห็นลม แล้วมันก็จะสอนตัวมันเองว่าเออวิญญาณมันตอนแรกมันเห็นเท้านะแล้วมันเกิดดับมันมาอยู่ที่ตรงเห็นไหมมันเกิดดับอย่างนี้นะคาคะอย่างนี้มันใช้ได้ไหมเจ้าคะหรือว่าไม่ได้ไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดทต้องให้อยู่กับเรื่องเดียวพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าให้คิดเรื่เลยห้าคิดห้าพิจารณาอะไรทั้งสินงส้นทําเวลาเจริญสตินีให้หยุดคิดหยุดพิจารณา โอ้ต้องขอให้อยู่กับสมาธายาวๆไปเลยอช่อยู่ไปทั้งวันทั้งคืนกับฝึกสมาธิให้ชํนานาญก่อนต้องขอถามที่สามนะค่ะเออเวลาเวลาป ว, วดขาเจ้าค่ะมันมันรู้สึกว่ามีความปวดอยู่ในขาแต่ก็บางทีก็รู้สึกว่าความปวดไม่ใช่เราแต่ว่ารู้สึกว่ามีความปวดในเราเจ้าค่ะ แล้วเราจะแก้ความเห็นผิดนี้ได้ยังไงเจ้าคะก็มันแก้ด้วยสมาธิไงวางใจให้เฉยไปอุเบกขาไปแล้วก็จะรู้ว่าเขากับเราเป็นคนละส่วนกันเราอย่าไปอยากให้เขาหายแลอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาเป็นไปเหมือนเราปล่อยให้ดินฟ้าอากาศ มันจะตกแดดจะออกก็ปล่อยมันตกไปแดดออกก็ปล่อยมันออกไปใจเราไม่ไปยุ่งกับมันเฉยๆเอาใจ น, นะ น, น, นี่คือแยก้ยกทาใจให้นิ่งแล้วพอใจนิ่ก็จริงใจก็จะแยกออกจากทุก ส, สิ่งทุกอย่างเองถ้าใจไม่นิ่งมันก็อุปทานมันก็จะเอาเอาใจไปผูกติดกับนู่นกับสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราอื เข้าใจนะอยังฝึกสตินั่งสมาธิให้บ่อยๆให้จิตเป็นอุบเบกขาแล้วจิตจะแยกออกจากสิ่งต่างๆอาจจะวางเฉยกับสิ่งต่างๆได้อาจารย์นะครัหนูครั้งที่แล้วอาจะบอกให้หนูลดอาหารหมูไปลดมาแล้วบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แต่ว่าหนูเริ่มตื่นขึ้นมาปฏิบัติตอนตีสี่ได้แล้ว ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมากนะค่ะหนูยังอดอาหารได้ไม่ทุกวันเดี๋ยวหนูจะไปพยายามต่อนเนะค่ะการอด อ, อาหารนี่มันจะช่วยให้เราทำความเพียรได้ดีขึ้นถ้าไม่อดล้วมันมันสบายมันจะขี้เกียจมันจะติดสุขอืราะมันอดอาหารแล้วมันจะเจอทุกข์เ่อเจอทุกข์มันก็ต้องปฏิบัติเพื่อให้ให้สู้กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้ได้อืม งัน้นถ้อดอาหารได้พยายามใช้วิธีออาหารเป็นตัวกระตุ้นความเพียนนะแต่อดอาหารเฉยๆโดยไม่ทําความเพียนก็ไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมถ้าอดอาหารแล้วมันพอ ม, มีความทุกข์เราต้องใช้สติใช้ปัญญาสู้กับมันนะจันใจให้สงบแนละ้วพอใจสงบแนละ้วความทุกข์ที่เกิดจากความหิวมันก็จะหายไปความหิวไม่หายแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวมันหายไป เพราความทุกอยู be ่ในใจความหิวอยู่ในร่างกายเราไม่ได้ทําให้ความหิวหายไปแต่เราทำให้ความทุกข์ของใจหายไปได้ใจไม่ทุกข์กว่ามันอ่าผมก็คุณพระอาจารย์ลู้จักขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่วอนพระอาจารย์รักษาทัาขันนะเจ้าค่ะด่าสาธุขอาคุณสาธกาเจ้าชายนา มาฟังธรรมค่ะอาจารย์ปฏิบัติกค่ะจ้าสาธุลูกตาจอมเมเล่นาัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะเขามากราบพอาจารย์ค่ะอ้าสาธุวุณิสา L A L A นี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่เจ็ดสิบแปดของประเทศไทยแล้วนะใช่ค่ะพระอาจารย์น้อมกราบนาัสการค่ะพระอาจารย์ ค่ะใช่ค่ะเป็นเยอะแยะค่ะอาจารย์มีทุกอย่างเมือนที่มีอยู่ที่บางไทยต้องการอะไนี้เอามีหมดของที่บมงไทยมีเกือบมีกืบทุกอย่างค่ะอาจารย์ค่ะต่อไปพวกร้านอาหารคงไปตั้งสาขาที่เอากันนะค่ะอาจารย์ MKSuki ร้านค้าเอ้าเอะเอ่อแต่อย่างยังไม่มีขนาดนั้นค่ะอาจารย์ไม่ขนาดนั้นเลยไม่แน่ต่อไปคงจะมี่ค่ะอาจารย์ ก็วันนี้ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์กับพระอาจารย์มาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์วันนี้งานหมดได้ยังที่บ้างอ๋อตอนนี้ตอนนี้หมายถึงที่มีคนงานมาหมดแล้วค่ะหมดแล้วเลยค่ะหมดแล้วแต่ว่าเป็นงานของเราแล้วค่ะตอนนี้ค่ะมันมันไม่ยอมหมดซะทีหน้างานนี่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าของเยอะค่ะพระอาจารย์ของเยอะมากมันเป็นสุขแล้วมันก็เป็นทุกข์ด้วยมันเป็นภาระ ค่ะเวลาเก็บของก็นึกถึงตอนพี่ซื้อมาค่ะาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้ามาั้พุทธเจ้ามีสมบัติแค่แปดชิ้นน้องพอ้วค่ะก็ เ, เป็นลองทำดูเนี่ยเราเสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอ อ, อาหารก็ตามมีตามเกิดไปนี่นงไปสะสมไม่ต้องมีตู้เย็นสะสมอาหารยถึงเวลากินก็ไปหาเสือ้อค่ะอาจารย์ ตอนนี้ที่บ้านมีตู้เย็นหลายอันเลยค่ะพระอาจารย์กลัวอดกลัวอ ด, อดวิวคือแต่ก่านมีร้านอาหารนะคะออพรอาจารย์ค่ะก็ก็ตอนนั้นแบบเก็บเอาของไปที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใค ร, รใครก็ไม่มีใครเอาค่ะพระอาจารย์ข่บริจาคไปเสร็จบรจาคไทยโครงการอุศรุ่งงา่าบ ร, รจิจาคข่ะวก็ คือคนคนงานที่มาทํำนี่ยให้เขาเขายังไม่เอาเลยค่ะพระอาจารย์เขาบอกเขาไม่มีที่ค่ะก็ต้องเดี๋ยวคงต้องไปหาทางไปบริจาคที่วัดไทยวั ด, ว, ดวัด ต, าตา่างๆค่ะพระอาจารย์หรือไม่ก็เนี่ยเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็เขียนว่าฟรีเขาก็จะอาจจะมีคนมาเอาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ลําบากตอนนี้เราลําบากแบบเก็บของค่ะพระอาจารย์แล้วยังตุกต<ร>ุ ก, <ๆ>กมันอนะค่ะ ค่ะพาจารย์ก็ไม่มีคําถามค่ะพาจารย์น้อยน้อยพเจ้าบอกมั่งน้อยสันโดษที่สุดนก็เป็นเป็นเป็นแบบคือคิดว่าถ้าไปกลับไปอยู่กับใครนี่คงจะแบบน้อยที่สุดเลยค่ะพระอาจารย์สมัยก่อนคิดว่าต้องแบบไปซื้อบ้านใหญ่ๆต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ความคิดเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะไม่เอาแล้วค่ะพระาจารย์เพราะว่าคําว่ามีแล้วมันมีความถูกค่ะพาะอาจารย์ ใช่ของทูกอย่างในโลกนี้มันทุกข์เสมอค่ะอาจารย์โอเคนะค่ะขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงค่ะขอบคุณจุ๊บโกเบเป็นยังไงยังมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อไรจะได้กลับมาเมืองไทยคงอีกปีนึงเลยจ้ะค่ะพระอาจารย<ช>์ไม่มีโอกาไม่มีโอกาสอนะไรพิเศษนะ อืก็คงรอปีหนึ่งอ่ะค่ะปีหนึ่งได้ลาแค่ครั้งหนึ่งเองเจ้าค่ ะ, ะต้องทง า, าทงานค่ะทางานค่ะไอผู้หญิงอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าถูกถูกคนทำานียร์เขากด ก, กดดันไหมผู้หญิงกดดันไหมคือผู้หญิงจะจะจ ะ, จะไม่ค่อยคืออย่างอย่างท่านที่หนูทํางานนะเจ้าค่ะคือคือถ้าผู้หญิงทํางานเนี่ยช่วงพักเบรกเนี่ยผู้หญิงต้องเป็นคน ชงกาแฟให้ผู้ชายใช่ไหรับใช้ด้วยเป็นคนชายด้วยนะ่ะก็ดีนะเป็นวิธีฝึกการปฏิบัติทําได้ดีอย่างนึงนะท ต, ตัวให้เป็นแจ๋วนั่นนะคะต้องชงให้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นช่วงฝักเบรกแล้แลเราไปใหม่ๆเรายอมรับสภาพกับคองความเป็นผู้หญิงของคนญี่ปุ่นได้ไหก็ก็ยอมก็ยอมรับนะเจ้าค่ะ<ณ>คือ<ณ>มันมันเหมือนคนญี่ปุ่น คนผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเออเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทําทําหน้าที่ของเขาไปนะเขถูกสอนมั่นแต่เกิดนะค่ะเป็นแบบนั้นนะคะ่ะแต่ก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้สังคมอยู่แบบสงบนะเจ้าค่ะใช่ไห ม, มสังคมญี่ปุ่นนี่สงกบกว่าสังคมบ้านเราเยอะแยะเลยนะสงกบกว่าบ้านเราค่ะคือแต่และคนนี่คือตัวใครตัวมันนะคะพอาจารย์ อ, อย่างตอนอทํางานนี่ก็คือก็ก็เหมือนมี เส้นบางๆกันอยู่ก็จะไม่ได้แบบลงลึกถึงถึงคือทุกคนมีความเป็นส่วนตัวของของตัวเองอะเจ้าค่ะต้องเข้าใหน้าที่อของตนน้าฐานะของตนก็าจะต้องทำตัวยังไงใช่ไม้มเจ้าค่ะใช่ย่างงั้น อ, <Okay. S 1> อันดีอันดีเจ้าค่ะชอบไหมชอบอยู่ที่นั่นไหมให้เงื่อระหว่างอยู่ที่นั่นกับอยู่ที่เมืองไทยนี่ก็คือตอนที่อยู่ที่ทนี่อยู่ที่นี่มันก็ดีตรงที่ว่าเราเราสันโดดดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เรา เราถ้าสมมุติคนที่เหงามาอยู่ที่นี่เนี่ยจะอยู่ไม่ค่อยได้แต่ถ้าคนที่อยู่ด้วยตัวเองอยู่ตัวคนเดียวได้นี่คือจะชอบเจ้าค่ะไม่มีใครมายุ่ง น, นะต่างคนต่างอยูอ่กันเมือ่อก่อนหนูก็เหงาเจ้าค่ะแต่พอมาศึกษาศึกษาพระธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียวนี่มันสบายกว่าอืมดีก็ดีสำหรับคนที่ชอบธรรมะนะค่ะ วันที่ชอบสังสรร์ชอบปาร์ตีเนี่ยเขาจะเหงาเหงาเหงาแน่นอนค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็เงียบจ้ะค่ะอาจารย์น้อยไม่มีสังสรรค์เหมือนที่บ้านเราเลยมันจะมีสังสรร์เป็นช่วงค่ะอย่างช่วงนี้ช่วงแอนช่วงจะใกล้สิ้นปีอะค่ะเขาจะมีพอนเทนต์ไกลก็คือพวกงานงานเลี้ยงส่งงานงานเลี้ยงไปเก่าไหมไปปลายปีปลายปลายปีแล้วก็เดี๋ยวอะไรก็ยังไม่ค่อยมีงานเหมือนบ้านเรา วาเรามีงานทั้งปีนะเจ้าค่ะมีงานทั้งปีเลยเจคะการปฏิบัติของหนูตอนนี้คือหลังจากกลับมาจากจากที่เมืองไทยเจ้าค่ะหนูหนูปกติหนูจะมีมีมีคลาสเข้าไปไว่ายน้ําใช่ไหมเจ้าค่ะคือจะต้องจอปุ๊กป้าแล้วป้าป้าเขาก็จะชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังๆมาเนี่ยต้องต้องแต่หนูกลับมานี่นหนี่หนูหนี หนูหนูเหมือนแบบว่าหนูไม่อยากไปสังคมกับเขาทาั้งๆที่นานๆทีอาทิตย์หนึ่งจะได้จะได้เจอกันครั้งหนึ่งอื ม, อมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะหรืบางทีเกิดจากจะหาความสงบมากกว่ามั้ยค่ะมันบางทีหนูก็คิดว่าเออเราติดสงบมากไปหรือเปล่าเรามาถูกทางหรือเปล่าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์นูกแล้ความสงบเนี้ยมันได้เพิ่มของใจอืมเจ้าค่ะติดความสงบไม่เชียหาย ติดเที่ยวอะเสียหายอเที่ยวแล้วมันไม่ได้เที่ยววันจะเศร้ามันจะเหง า, าก็ดีมีอะไรไหมไม่ ม, มีตอนนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์อ๋ออ๋อ ม, มีมีก็ได้กะระสับกร่าพระอาจารย์เอ่ออย่างเราปฏิบัติทำเนี่ยเราจะเราจะสะสมหรือเพิ่มอินทรีย์5ได้ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ทําให้มากขึ้นไง ให้มีศรัทธามากขึ้นกันเนี่ยเขห า, าธรรมะบ่อยๆเขาหาพระพุทธธรรมบ่อยๆเรียนธรรมะคำสอนของพระุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าอ่านคําสอนของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาประวัติปฏิบัติประวัติของท่านอะไเหล่านี้มันก็จะทําทให้เราเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องปฏิบัติมันจะทำให้เราปฏิบัติธรรมมากขึ้น พเราปฏิบัติมากขึ้นมันก็จะได้ผลมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปทาให้เรามีวิริยะความขยันหมั่นเพียร ม, มากขึ้นมีขยันหมั่นเพียรที่จะเจริญสติมากขึ้นเจริญสมาธิเจริญปัญญามากขึ้นไปตามลำดับเราเริ่มที่ศรัทธาต้องพยายามปลูกศรัทธาพยายามสร้างศรัทธาให้มีมากขึ้นไปด้วยการเข้าหาพระพุทธ็ทําธรมพระสงฆ์ แล้วก็ปฏิบัติพราข้าวพระธรรมสง่งเราก็จะเรู้ว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติเราก็เลยมีศรัทธานในการปฏิบัติพอปฏิบัติผลมันมากขึ้นก็เห็นผลว่าการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ดีก็เลยอยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆยังทิ้งไม่ได้ธรรมะาสำสอนต้องพยายามศึกษาอย่างื่อยทีอาจารย์สอนให้มีวันฟังธรรมนะอาทิตย์นหนึ่งวันนะวันธรรมสวรรค์วันพระ นี่ยรับนี่เราก็เข้ามาฟังธรรมกันเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งมันจะทําทให้เรามีกําลังใจมีเห็นลู่ทางเห็นอะไรต่างๆเห็นข้อบกพร่องเห็นข้อที่จะทําให้เราแก้ข้อบกพร่องได้อย่างไรเพราะมันยังไม่ไดเป็นเรื่องของเราฟังเรื่องของคนอื่นไว้มันก็มันก้เป็นสติเตือนใจสร้างใจเันได้พอเรามีเรื่องแบบเดียวกันเราก็จะได้รู้จักวิธีแก้นะ เราเคุกกีกัทำา้านดีแล้วละ่ะอย่าไปคุกกี้กับป้าพวกก็าป้าโกป้าก็พาเราไปกินไปกงสาเกกันอะไรกันแล้วก็เมากลับบ้านเกิน <c oughs> okay, สาเกไม่คขาดื่มใชไหมถ้าส่วนใหญ่คุณป้าป้าป้าป้าทีา่สูงอายุเขาจะกินเขาจะดื่มเบีย ร, ร์เขาป่ะจ๊ะด่เก่งมาก ดื่มกันเก่งจริงๆค่ะวอาจารย์<ม>อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังดื่มกันเก่งอ<ม>ืม <c oughs> แต่หนูมไม่ดื่มค่ะอาจารย์อมเราเป็นพุทเราเสืส่อศีลห้าต้อไม่เด็กเวลาไม่ดื่ไม่เด็กแล้วค่ะแล้วแ<ม>ทนที่จะไปหาเขามาฟังเทศสั่งธรรมดีกว่าเร<ม>าตนังซื้อธรรมะดีกว่าศึกษาประวัติของพระเจ้านี่กว่าแล้อินทรีย์ห้านี่คือถ้าสมมเรา ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มเพิ่ ม, มขึ้นกำลังขักลายเป็นพระราห่าขึ้นมาค่ <Okay. S 2> กําลังจะมากขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอ <Okay. S 2> เป็นพระรามันก็จะเป็นกําลังของพระอริยบุคคลถ้ามีพระราห่าก็สามารถละสังโยชน์ต่างๆได้ก็ยังเป็นเีอยู่ น, นีย่ยังไม่มีกําลังที่จะไปละสังโยชน์ อ่โอเคนะตามดูนะเชิญเจ้าค่ะขอให้มีธาตุการแข็งแรงนะเจ้าค่ะโอเคคุณเอกเชิญเชียงรายคุณเอกการรักการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับผมก็ผมก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ครับปฏิบัตทุกวันเหมือนกับทานข้าวครับพระอาจารย์บัติตอนเช้าก่อนนอนครับอาจารย์ครับผมนี่ครับมันทำให้มากขึ้น ครับผม น, นี่มีคําถามกับอาจารย์ครับ อ, อ, อัตตากับมานะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันนึ่างไรครับอาจารย์ครับคืออัตาอตาคือตัวตนไงครับตัวตมนมานะก็คือการถือตัวถือตัวตนว่าสูงกว่าเขาดีกว่าเขาาเงี้ยเรียกว่ามานะเวลาเราเจอใครเรามักจะเปรียบเทียบเข้ากับเราใครดีกว่ากันใครสูงกว่ากันใครตามกว่กันนี่เรียมานะอ๋อตัวนั้นมานะนะครับอ่า อืมเหตเทียบแต่ตาคือตัวตนตัวตัวตัวนี้กเป็นหลงว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราหอกว่าจิตเป็นตัวเรามันไม่มีตัวเราหรอกมันเป็นสมมติเราสมมติกันขึ้นมาเองครับครััับบบคครร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟจิตก็เป็นธาตุนู้มันไม่มีตัวตนเหมือนลมพัดนมนมก็ไม่มีตัวตนไม่มีใครมาทำให้มันพัดใช่ไหมมันก็พัดไปตามเหตุตามบัจใจ น้ำฝนตกลงมามันก็ไม่มีใครไปทําให้มันตกมันตกออกมาตามเหตุตามปัจจัยร่างการมันก็ตขึ้นมาได้ก็ว่ามีดินน้ําลงไฟมามาเสริมมันอยู่เรื่อยๆมันก็ตกึ้นมาไม่มีตัวตนเหมือนต้นไม้ต้นไม้มีตัวตนไหมไม่ไม่มีครับอร่างกายก็เหมือนต้นไม้เหมือนกันเลยอื ในแต่พอมีจิตมาครอบครองมันก็จิตไปยึดไปติดไปคิดเอาเองว่าเป็นร่างกายเป็นตัวเราของเราขึ้นมาครัเพราะจิตมันไม่คิดว่าตัวจิตเองก็เป็นตัวตนครับอือตัวจิตมม่คิดว่าตัวเองเป็นตัวตนครับอ่าแล้วพอมีร่างกายแล้วคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายไปอืมเพราะจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาครับงนั้นปล่อยถ้าปล่อยก็ปล่อยทั้งร่างกายทั้ง ทั้งจิตเลยใช่ไหมไม่ต้องปล่อยว่ามันเป็นดิ น, น้ำลมไฟเป็นธรรมชาติจิตก็เป็นท่านรู้ร่างกายเป็นท่านดินน้ำลมไฟมันคิดได้แตม่มันไม่มีผู้คิดมันรู้แต่มันไม่มีผู้รู้อะไรมมันเป็นธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่คิดธรรมชาติที่รู้สึกแต่มันไม่มีผู้รู้ผู้รู้สึกผู้คิดมันไม่มีตัวคาว่าผู้ไม่มีตัวตนไม่มี เหมือนเหมือนนมพันธุ์เนี่ยไม่มีตัวตนนมพันธุ์นั้ <ram. S 1> <unaware perspective. S 3> นตัไม่มีตัวตนใช่ไหมนมไม่ได้มีตัวตนมันก็เป็นแค่นมพันธุ์ฝนตกมันก็เป็นแค่ฝนตกไม่มีตัวไม่มีตัวตนคครรัับบะแต่เรารู้สึกได้ว่าฝนตกลมพันที่เรารู้สึกได้ก็รู้สึกได้แต่อย่าไปด้วยอย่าไปถือว่ามันมีตัวตนคครรัับบมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ควาคิดเราก็ไม่ก็ไม่มีตัวตนการรู้ของเราก็ไม่มีตัวตนอธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่คิดอ<ม>ตากิเลส ม, มาให้เราคิดว่าเราคิดกําลังคิดอยู่เราไม่เรามีตัวตนเรากําลังรู้อยู่ตัวเรานตอนนี้ไม่มีอันถุกตัวกิเลสสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมากิเลยเป็นคนเขียนนิยาย เขียนนิยายจะตแต่งจะสร้างคนอนจิตคอนขึ้นมาก็ได้ใช่ไหม อ, อันนี้เป็นก e. เาเกิ e. เลสตัวเขียนนิยายนิยายว่าเอผู้รู้ผู้คิดนี่มีตัวตัวรู้ตัวคิดแต่ไม่มีตัวนี้ตัวคิดมันมปนแค่ความความคิดมีความคิดแต่ไม่มีไม่มีผู้คิดมีการคิดแต่ไม่มีผู้คิดมีการรู้แต่ไม่มีผู้รู้ มันต้องปล่อยพึ่งอย่าให้มันไปตามธรรมชาติอย่าไปจัดการอย่าไปยุ่งกับอะไรให้รู้เฉยๆไปผู้รู้ให้รู้เฉยๆไปไม่จมำเป็นต้องคิดก็อย่าไปคิดอยู่ความคิดดีกว่าให้รู้เฉยๆดีสักแต่ว่ารู้ดีกว่าแต่ว่ารู้สักตัวเห็นเองอนี่คือตามให้จิตจับไปเป็นตามธรรมชาติของเขาเอาตัวตอนออกจากผู้รู้ผู้คิดเนี่ยให้รู้เฉยๆ <sk ill in> ก็ใจมากขึ้นครับอาจารย์ครับทำด้วยต้องเข้าเออบรคค้างนะถ้าจิตรวมเป็นฌานถึงจะรู้เอาเนี้ยผู้ว่าเป็นอย่างนี้เองไรู้เฉยๆแบบอยู่ในฌ า, า, านออกมาจากฌานแค่รู้เหมือนตอนที่อยู่ในฌานรู้เฉยๆครับผมครับผมรับพรตอนนี้เอนั่งสมาธิไปมันมันก็หายหมดเวลาอาจารย์ตรงตรงไปก็รู้อยู่อย่างนี้นนะครับอาจารย์ครบัครบ ตัวตอนอะไรก็หายหมดมันจะจิตสงบเป็นสมาธิหรือแต่รู้เฉยๆแต่สัตว์ว้ารูา้ถ้าออกสมาธิมาก็ก็ปุงแต่งขึ้นมาสัญญาสังขารก็ปุงแต่งขึ้นมาตัวตุลขึ้นมาคครรัับแต่ถ้าถ้าถ้ารู้เฉยๆตรงนั้นถ้าถ้าออกสมาธิมาแล้วก็เหมือนกันบใญญาานมสมาธิเลยใช่ไหมครับอ า, าจารย์ในรู้เฉยๆไป อ่าก็เวลาออกมาจะมีตัวตนก็ใช้ปัญญามาสอนมาไม่ใช่ตัวตนไม่มีไม่ต้องทําอะไรใครอย่าทำอะไรใครอย่าพูดอะไ ร, ร, ะไรก็ฟังไปเฉยๆ ไ, ไม่ต้องไปตอบโต้เห็นอะไรก็ไม่ต้องไปตอบโต้เฉยๆไปนอกจากว่าถ้าจําเป็นจะต้องมีการตอบโต้ก็ใช้ใช้เมตตาใช้หลักเมตตาใช้เหตุผลไป แต่ไม่ให้ใช้อะไรนะครับถ้าไม่มีเหตุผลต้องตอบตัวก็เฉยๆไปโอเคลองฝึกดูว่าจทำได้ไหมเวลามีด่าก็เฉยๆไปไม่มีอะไรหน้าที่ต้องตอบต้องไเฉยๆไปแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยด่าเท่าไหร่ครับ ก็แล้วแต่เมีาจจะไปทําอะไรที่ไม่ไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็มีตัวตนนะอคงเฉยๆไปเฉยๆนะครับต้องวางวางอุเบกขาไว้นะจัดแต่วรู้ไปจัดแต่วรู้ครับผน้องไปปฏิบัติกับผู้อาจารย์กลับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับสาธุครับเอไปที่แคนซัสคนยินดี สวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะก็แล้วก็เดวิดเหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์เข้ามากลับท่านอาจารย์ทคคอสองคนค่ะมอง้องเต้ฮะท่านอาจารย์ค่ะ okay. ขอบคุณนะขอบขอบคุณท่าอาจารย์สบายดีนะคะจ้าอาจารย์ผ่องใสค่ะวันนี้ออค่ะจ้าดูค่ะแสว่างนะท่าทนนะผ่องใสนะตบไปมันก็มืดอ่าวดูค่ะ ไม่อะค่ะท่านอาจา ร, ร ย, ย์อยู่เป็นล่มไกรให้อยู่เป็นล่มไกรให้พวกลูกหลานนานๆค่ะท่านอาจารย์ต้องโฟกักกทั้งหลายใช่ไหมการอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์ก็บอกใช่ไหมคะว่าไม่ให้ยึดติดยังไงอตอนนี้ลูกยังไม่ผ่านก็ขอยุติท่านอาจารย์ไปก่อนนะคะท่านอาจารย์เ้องต้องมีอัตออาตาเหตุอัตโนมาติให้ได้นะพยายามแต่เดวิดเขายึด เขาก็ยุดค่ะยอมรับค่ะท่านอาจารย์ก็ขอยุดไปก่อนนะคะท่านอาจารย์โอเคขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์บองสติคุณแนนคุณนนทานีน้อมเกล้านรเมตสกายค่ะพรพอาจารย์รูปไม่มีคําถามเจ้าคะ่ะโอเคสาธุคุณดิศยาเจ้ค่ะสาธุว่าอันนี้แยกกับคุณแน่เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ มรดการค่ะพระอาจารย์วันวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไปหาดใหญ่ค่ะคุณพ่อไปตรวจสุขภาพที่หาดใหญ่ค่ะที่จริงคุณแม่กะว่าจะเข้าสูงจากหาดใหญ่ค่ะแต่ว่าอติดภารกิจค่ะไม่ว่างต้องไปสอนไปสอนงานครูที่หาดใหญ่ค่ะตอนนี้กําลังทํางานกันอยู่เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะคุณแม่มีเรื่องจะรายงานค่ะแต่เดี๋ยวคุณแม่จะรายงานด้วยตัวเองค่ะแล้วก็คุณคุณพ่อค่ะหลังจาก ที่ผ่านมาคุณพ่อผ่าตัดค่ะอ่พอหลังจากผ่าตัดคุณพ่อก็บอกกับหนูกับแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปหาเวลาไปปฏิบัติธรรมที่ที่ที่วัดยานค่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับหนูค่ ะ, คะดีน่ารู้และหนูม <c oughs> <น>ึงจะไปปฏิบัติมากเลยเดี๋ยวรอน่นาจะเลย อถ้าช่วงปีใหม่อ่ะค่ะจะมีช่วงหยุดยาวแต่หนูที่ว่าน่าจะยังปฏิบัติอยู่ที่บ้านก่อนค่ะจะเป็นช่วงวันหยุดยาวแต่ว่าหลังหลังปีใหม่อะค่ะจะหาเวลาไปค่ะจะตามอยากถ้าเป็นไปได้ไม่มีอะไรผิดพลาดก็อยากไปกันสามคนแต่ว่าแยกกันแยกที่กันปฏิบัตินะคะจะไปด้วยกันค่ะมันิงที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้ถ้าเราอยู่คนเดียวค่ะ แล้วก็ที่ผ่านมาก็เรื่องเกี่ยวหนูก็ลองฝึกเรื่องของการที่คนเขาว่านะคะพระอาจารย์เอาคําที่ว่าบางทีเวลาที่มันขึ้นมาก็ใช้แทนเป็นคําบริกรรมไปเลยค่ะสมมุติว่า<ม>ถ้าอยู่ๆมันมีคํานี้ขึ้นมาอะไรเงี<ม>้ยค่ะก็ใช้อันนี้แทนพุโทโธไปเลยค่ะไปเรื่อยๆ ม, ม, มันก็ได้เฉพาะบางขณะเริ่มมันก็เริ่มคิดได้ว่าอ๋อมันก็เหมือนเป็นฟังฟังเหมือนเสียงมันจะมันเริ่มชินไปบางขณะค่ะแต่บางบางช่วงที่ พูดมาแรกๆก็ยังยังสั่นอยู่ค่ะพระอาจารย์อูดไปเรื่องมันชินแต่ไปเวลาได้ฟังมันก็ยังไม่ตื่นเต้นตอกใจค่ะพระอาจารย์เลยใช้ช่วงนี้จะใช้แทนสมมติปกติเวลาเดินจะจะใช้พุทโธพุทโธแทนค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคำด่าค่ะเงินดองเงินดากทองไปแล้วทำส่นใหญ่จะชอบคนชอบว่าเรื่อง เอ่อพวกแบบอ้วนโสมแก่อะไรไม่มีใครเอาเราก็พูดพูดวนๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วท่านกว่าอออ๋ออ๋อเออมันก็เป็นคําคำหนึ่งจริงด้วยแต่ว่าต้องต้องพูดเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนสักพักค่ะอาจารย์กลายเป็นคําบริกรรมแทนไปขายช่วงนี้ให้ชินให้ชิมชิมเราไปเปิดดูในในพจทธนารูโกะมาได้แต่ละคํามันมีมันมีพิษตรงไหนหรือเปล่าไม่มีครับเป็นแค่เป็นแค่คำพูดเป็น เป็นภาษาเท่านั้นเองค่ะพระอาจารย์อวันวันนี้เวลาไปคุยกับเอไปเจอรุ่นน้องอะค่ะหรือว่าเจอหลายๆคนคนก็จะเริ่มคิดได้แล้วค่ะว่าถ้าสมมุติพูดต่างคนต่างความคิดถ้าเราไปอวนไหวกับทุกอย่างสั่นไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ต้องมาตั้งสติแล้วก็เอาเอาความจริงแล้วก็นึกนึกว่าเราจะเปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกอย่าง เจอแต่คําพูดว่าทําไมไม่ทําแบบนี้แบบนี้แบบ น, แบบนี้มันเลยต้องตั้งสติใหม่แล้วเอาคําพูดชงวิจาร์พวกนั่ค่ะมามาทวนไปเรื่อยๆเหมือนกลายเป็นคําบริกรรมแทนค่ะพระอาจารย์เมื่อไหร่ที่เริ่มสั่นก็จะเอาประโยคนั้นนะคะมาพูดซ้ําๆซ้ําๆว่าทบทวนว่าออมันเจ็บตรงไหนมันมีอะไรหรือเปล่ามันก็จะดีขึ้นค่ะตอนนี้ใช้วิธีนี้ค่ะพระอาจารย์เอดค่ะนักนั้นตอนนี้ไม่มีไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์อเราจะพูดอะไรเราไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไ่เปลี่ยนเขาไม่ได้ เราบังคับใจเราไนดะ้ให้ใช้ใชไว้ค่ะอาจารย์หนูหนูจะฝึกตอนนี้ฝึกเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะฝึกต่อไปค่ะอ่าดีจ้ะสาธุขอขอบพระคุณค่ะอ่าคุณโอพีเคพีแปลว่าภูเก็ตใช่ไหมน้ำเกล่าน้มันสการน้ำผึ้อาจารย์จาย้จาค่ะภูเก็ต ด, ด้วยจาย้าค่ะพอาจารย์แล้วก็ชื่อด้วยจาย้าค่ะพัชรินท <PK S 2> องแสนนะอะไรอย่างงี้จะให้พอดีตรงกันเลย ใช่เจ้าค่ะทังสอนอย่างจ้าค่ะของหนูก็วันนี้เลื่อนการฝึกเข้าท่ามเจ้าค่ะอาจารย์พอดีเมื่อเช้าอ่าท้องไม่ค่อยดีเท่าไห ร, ร่จ้าค่ะก็เลยคิดว่าแต่ใจน่าคือคิดว่าจะเลื่อนให้ไปติดกับวันเสาร์อย่างจ้าค่ะอาจารย์เพื่อที่ว่าจะได้ความต่อเนื่องด้วยจ้าค่ะ mm hmm. ว่าลูกเพิ่มวันปฏิบัติเข้อท่าก็คือวันเสาร์เข้ามาเพิ่มใช่ไหมเจ้าค่ะปกติจะเป็นวันพุธอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะ ก็เลยอาจจะเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์พที่ว่าจะลองดูว่าถ้าสองวันติดกันจะได้ความสอนเนื่องอะไรไหมเจ้าค่ะเ๋ จ, จะลองดูจา้จาค่ะใช่ก็ลองเพลงเปลี่ยนแปลงเดียวถ้าไม่นอน<ช>ก็ไม่รู้เจ้าค่ะแล้วก็ที่กลับเรียนถามพระอาจารย์ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะเจ้าค่ะว่าอ่าหนูเพิ่มวันเสาร์เข้ามาแล้วหนูควรจะงดทานอาหารได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูลองกลับมาทานอาหารคือฝึกเข้าถ้ำก็จริงนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะ ปกติวันพุธหนูจะงดทานใช่ไหมเจ้าคะแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยลองกลับไปทานอาหารมื้อเดียวดูแต่ว่าทานไม่เยอะเจ้าะคะ่ะแฟจานแล้วก็พิจารณาพอดีมีโอกาสได้ทานข้าวมื้เดียวแล้วก็ลองพิจารณาปฏิกูลไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะรู้สึกว่าวันนั้นคือการการฝึกนั่งนิ่งๆการเจริญสติเนี่ยดีขึ้นนิดนึงเจ้าะคะ่ะแฟจานแล้วก็เวลาหิวก็คือเหมือนเอาเอาสิ่งที่เราทําเมื่อตอนช้าอะไรอางเงี้ยเจ้าคะ่ะมามามาช่วยก็พอช่วยได้เจ้าคะ่ะแต่พอวันลุกขึ้นเนี่ย เหมือนกำลังตรงนั้นมันก็หมดไปก็พอฮิลก็เหมือนจะเบรกไม่ค่อยได้นะจ๊ะค่ะแต่ก็ยังพยายามแบบจะให้ทานน้อยๆอยู่เจา้าค่ะพายจาันคือมื้อเดียวก็จริงแต่บางทีสารพอดกับพายจันเจา้าค่ะมีเดือนที่แล้วมีหลุดเหมือนกันเจา้าค่ะพายจาันมีหลุดไปทานหลังเที่ยงเลยเจ้าค่ะแต่ก็มีทําโทษก็คือแบบใช้การทําโทษ ด, ด้วยวิธีงดทานข้าวไปสองวันติดกันอย่างงี้เจา้าค่ะพายจาันเพราะวันทะเลทรายอะไรอย่างงี้เจ้าค่ะก็ต้องทําโทษด้วยกันก็ทานข้าวไปเลไรย่จ้ะดี เราต้องรู้ว่าการงินอาหารนี้ไม่ได้เป็นตัวหลักที่เราต้องการเร <c oughs> าทานอาหารเพื่อให้เราบางังครั้งให้เร า, ไ, นานได้ปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นน <c oughs> ะคะใน่งที่ <c oughs> เราต้องการค <c oughs> ือสติสมาธิโดยการอาหารเป็นตัวการอาหารเป็นตัวกระตุ้นนะคะแล้วหนูสังเกตดูจะค่ะอาจารย์เหมือนช่วงที่ผ่านมาเ ห, หนูลองหนูท่าน งาดําหรือว่างาที่งาขี้ม่อนทางภาคเหนือเจ้าค่ะงามันๆเนี่ยเหมือนกับว่าพอทานพวกงาเนี่ยเหมือนจะทําให้ม่วงนอนมากขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์อาหารการกินนี่ก็คือมีส่วนเยอะเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะประเภทของอาหารนี้เจ้าค่ะใช่ของมันๆ ม, มันจะทําให้ม่วงเจ้าค่ะตอนหนูสังเกตหนูม่วงนอนเร็วมากเจ้าค่ะอาจารย์เวลาที่ทานงางาหอมก็ไปอย่างเจ้าค่ะอืมผลเลี่ยงซะถ้ารื่ไหนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุ ที่ทำให้เรางงเราก็อย่าไปกินมันเลยค่ะอ่พระอาจารย์หนูรู้สอบถามนิดนึงจ้าค่ะการวางใจอย่างหนูอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูจะหลีกเลี่ยงเรื่องกลิ่นบุหรี่ไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เคเหมือนกับว่าข้างบ้านเขาจะสูบบุหรี่ทุกวัน็ยอมร<อ>ับันไปยอมรับไปมันยอมรับการกระทําของคนอืนน่นก็เป็นสิ่นรูปเสียงกลงิ่นแล้วเนี่ยเสียงใครก็จะพูดอะไรก็ต้องยอมรับไปค่ะ เพราะว่างบางทีมันดิีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนมันมันก็คิดว่าเอ๊ะกลินบุหรี่มันก็มีอันตรายนะอย่างมันติดตรงนี้ใ่ไเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือยอมไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะก็อันตรายก็อันตรายทําไงได้นะลก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วเราย้ายบ้านนะคะ<ค>ย้ายก็ย้ายไปจะลองนะะมีมีมีโปรแกรมมิดหน่อยอยู่ในในใจอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> มีโปรแกรมมันอยู่เจ้าค่ะ เดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆกันจ้าจ้านะค่ะก็หมดคำถามแล้วจ้าขอบพระคุณอย่างจรงจังธรรมภาษนาอาจารยค่ะกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะทีนี้ก็ได้ไปดูมรณะสติค่ะพระอาจารย์ญาตก็เสียก็ลูกเสียก่อนนะคะลูกอายุน้อยกว่าตัวเองอีกแล้วก็ก สักหลายเดือนก็ไปงานศพก็พ่อเสียก็เลยยิ่งเห็นเลยพระอาจารย์ว่าแบบเออมันมันเป็นใบไม้ร่วงมันมันไม่มันไม่มันไม่ตามคิวเนี่ยจริงๆแล้วก็เลยยิ่งทำให้เรารู้สึกเลยว่าเออเฮ้ยเราต้องแล้วก็คือเราก็ทําความเพียรไปเรื่อยๆทาแบบทําจริงๆมีคำว่าก็เห็นภัยเพราะว่าพระอาจารย์ฮ ะ, ะคือเราไม่เห็นภัยในพระสงฆ์จริงๆแล้วพระอาจารย์เห็นเลยค่ะก็กลับมาก็ทำความเพียรต่อพระอาจารย์นิ่นึ่งนะ ตัดกิเลสให้หมดตัดพบตัดชาติได้หมดไปแต่โชคดีเจอพระอาจารย์ก็พยายามตั้งใจทําเลยพระอาจารย์เพราะเดี๋ยวถ้าคือทําไปเรื่อยๆแล้วมีพระอาจารย์ทั้งสามรูปเป็นกําลังใจอ่ะพระอาจารย์พยายามตัดเพราะว่าโชคโชคดีมากเลยเขาเกิดมาลูกกี่ล้านชาติแล้วชาตินีม้มันเจอพระอาจารย์โชคดีทํำไมเข้าใจออไม่มีอะไรคร่ะวันนี้เราทำต่อตั้งใจทําปฏิบัติพระอาจารย์อาจารย์สายทริปหายหน้าไปไหนมา สองทางมาหาช่องนี้ไม่เจอเลยกราบน้ัสการพระอาจารย์เพราค่ะ เ, เครียดงานหลายอย่างแล้วก็เตรียมร้านยาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ล้าก็เลยไม่ได้เข้าค่ะแต่ยังนัดเลืกถึงพระอาจารย์กับกัลยาณมิตรทุกท่านอยู่ค่ะแต่ยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเหนื่อยเข้ามาก็คงจะแบบเหมือนจะหลับอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้เข้าค่ะ แต่วันนี้ก็เตรียมทุกอย่างเริ่มลงตัวค่ะก็เลยมีกำลังกลับมาแล้วค่ะค่ะมีอะไรไหมวันนี้ก็ไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติแล้วก็เวลามีปัญหาก็ลงพอเราคิดเรื่องคำว่าสุดท้ายก็อนัตตาแล้วก็ทำใจได้มา ก, มมากๆาค่ะพระอาจารย์อย่าง<ม>ถึงก็ไม่ได้ถ้าถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วมันกระทบใจหรือว่า มีอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วเราคิดว่าทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราก็ปล่อยได้คะ่ะพระอาจารย์ก็ก็ ก, ก็รู้สึกใจใจก็สงบดีคะ่ะ <laughs> แต่พระอาจารย์คะช่วงไหนที่ทํางานเมื่อกี้คะ่ะทํางานเยอะวันไหนทํางานก็คือมันก็จะเพลินงานไปเลยคะ่ะพระอาจารย์ <laughs> แต่ถ้าวันไหนถ้าทําสมาธิเราก็อยากทําสมาธิอย่างเดียว <laughs> อันนี้คื อ, อยังแบ่งจัดการสองอย่อยางไม่ดีใช่ไหมคะใจยังเป็นสองจิตสองใจอยู่ งานก็ชอบสมาธิก็รัก อ, อแล้วแต่อารมณ์วันไหนอยากจะสงบ ก, ก็นั่งสมาธิวันไหนอยจะทํางานก็ทํางานไปค่ะเหมือนไหลไปอยังยังเหยียบเร็วสองแคมเอยู่ค่ะพระอาจารย์ยังยังทิง้งยังไม่ยังทิ้งทางโน้นก็เอาทางนั้นก็เอาตกกลางเลยนะคะพระอาจารย์ค่ะครับงทางล่วงตกน้าค่ะพระอาจารย์คิดว่าค่อยๆ แต่ตอนนี้หนูก็ค่อยๆตัดทางที่รันยาเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ขายขายหุ้นส่วนของตัวเองออกไปครึ่งหนึ่งค่ะพระอาจารย์เก็บไว้ครึ่งเดียวจะได้มีเวลามาที่บ้านแล้วก็ทำงานลดลง<บ>แต่ไม่รู้ลดลงหรือเปล่านะคะไม่ต้องดูนะเป็นคนปฏิบัติแล้วต้องดูเสียงลดแล้วเพิม่มค่ะแต่ว่าตอนที่ ที่ที่ร้านยาตัวเองตอนที่อยู่ปกติเราก็อยู่ที่ร้านคนเดียวที่ที่บ้านเนี้ยค่ะพระอาจารย์มันเงียบแล้วก็สงบมากเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนมันมันมีสมาธิด้วยค่ะพระอาจารยแ์แล้วแอบคิดในใจว่าเอ๊หรือจะมานั่งสมาธิที่นี่นอนที่นี่เลยดีนะค่ะพระอาจาร ย, ย์ต้องสังเกตว่าการปฏิบัติของเราว่ามันขึ้นหรือลองมากหรือน้อยออก็คือ แต่อยู่ตรงไหนก็ตามให้ให้สังเกตว่าดีขึ้นหรือแย่ลงใช่ไหมคะพระาอาจารย์มากขึ้นน้อยลงปฏิบัติมากขึ้นน้อยลงอืมค่ะตอนนี้ช่วงเมื่อกี้น่าจะลดลงค่ะเพราะว่าเอากําลังไปเคลียร์งานใหญ่ๆหลายอย่างเลยค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้เคลียร์ผ่านไปแล้วค่ะพระอาจารย์งานใหญ่ๆงานวิจัยอะไรที่เป็นหัวหน้าโครงการเราต้องรีบก็เลย รีบเปล่งยังทำแล้วก็คิดว่าจะจะไม่รับเพิ่มแล้วค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าสิ่งอะไรที่เราได้มามันทําให้เราทุกข์ทั้งนั้นเลยค่ะพระอาจารย์เราคิดว่าดีแต่ท้ายสุดเราก็ก็ต้องโดนมันทําให้เราหนักหนาสาหัสอะไรเงี้ยค่ะพรอาจารย์ใช่ตอนต้นมันก็ดีแล้มันสุขค่ะพอรับพังตรงนี้มันเปลี่ยนไปก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาใช่ค่ะอะไรที่เราคิดว่าโอ้ยดีจังเลยอันนี้ดีจังเลยพอท้ายสุดก็ทําให้เรา เจ็บปวดหรือว่าเหนื่อยล้ามากๆค่ะก็เลยเรียนรู้ว่าอย่าพยายามไปเอาอะไรเพิ่มพอแค่นี้ค่ะตัวอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นค่ะนึกว่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะท้ายสุดสิ่งที่เรานึกว่าดีก็ก็เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ค่ะพระอาจารย์เรียนรู้ไปแล้วก็เอพอแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่เอาอะไรมาเพิ่มค่ะค่อยๆเคลียร์ออกไปค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะทุ จพยายามปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะที่เป็นอ่อนละนองปอธรรมอตามนวัสการับพระอาจารย์วนี้มไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามารายงานตัวเป็นนักกรียนมาเช็คชื่อค่ะ <laughs> พยะยังรักษาใจายอยู่นะ รักษาพระอาจารย์อุ่นตลอดบางทีก็คอยพิจรารณาเกิดอะไรขึาา้นมาใจละมีนิดนึงก็ได้คับเรื่องแมวของตัวเองอม แ, แมวมันป่วยพระอาจารยแล้วก็มันหายใจไม่ได้ตอนแรกของก็เห็นแล้วละ่ะแต่ก็ยังอุสตส่าห์เือไหร่ท่านบอกว่าบางทีเราก็ต้องอุเบกขาไปนะมันเป็นกรรมของเขาทํำมาอย่างนั้นวันนี้ก็บอกตัวเองว่าเออแต่ว่าเราเนี่ยจริงๆก็น่าจะพาเขาไปหาหมอที่ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกหน่อยนะก็เลยพาไปแล้วก็บอกตัวเองแล้วว่าเนี่ยแหละเราเลือนเลือนคือแมวรู้สึก เข้าเป็นความรู้สึกว่าถ้ามันยังทําได้อีกนิดหนึ่งให้ดีขึ้นอะ่ะก็จะทําก็เลยพาเขาไปย้ายโรงพยาบาลไปหาคุณหมออีกท่านหนึง่งเพื่อดูว่าจะช่วยชีวิตเขาได้ไหมแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเออถ้าหมอท่านเนี้ยบอกว่าไม่ได้เราก็คงเหมือนแบบเออเราเราจะวางเบรคขาดได้เราจะไม่ไม่รู้สึกว่าแบบไม่ได้ทําเต็มที่ก็เลยไม่รู้ว่าเออทีนี้แบบเหมือนเราวางใจไม่ถูกหรือเปล่าแล้วหมอก็เพิ่งขียนมาว่า เออเจาะน้ําที่ท่วมปอดเล่นเรียบ ร, ร้อยแล้วนะเขาสบายตัวขึ้นกินข้าวได้แล้วเราก็แฮปปี้อือก็เลยไม่รู้ว่าการที่แบบเรายัางเรายัางกระเทือนไว้อาจารเหมือนกันว่าเพาเห็นเขาทรมานเราก็แบบโอ๊ยรู้สึกสะเทือนอยู่นิดหนึง่งเมื่ออะไรทำอะไ้ก็ทําไปใช่ไหมคะ<ช>อาจารย <Adventure> ์เราทําได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่แต่อย่าไปทุกข์กับกับมันก็แล้วกันได้ได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ทําให้สุดความสามารถของเราก็แล้วกันเมื่อเรายังมีหน้าที่ต้องดูแลเขาอยู่ อันนั้นคือคือคือมันทําได้อาจารย์ลงก็มองลุก็มองถ้าเรายังทําได้เต็มความสามารถกว่าเนี้ยก็เออทําถ้าสุดละเขาจะต้องออไปตามวิบากกรรมเขาก็ไปตามเจอกรรมของเขาของเราเนอะใช่สุดทางของเราแล้วเราก็ใช่เขาพูดได้ว่าเขาต้องการก็ไม่ต้องการแล้ว่าต้องยึดกรามพูดของเขาเป็นหลักใช่ใช่แต่เขาพูดไม่ได้แต่เราเห็นเขาร้องอาจารย์เราก็รู้สึกว่าโอ้ยเขาคงอยางอยาก ทุกดวงจิตก็คงอยากมีชีวิตให้มันทรมานน้อยที่สุดคิดอย่างเงี้ยไปคิดแทนเข า, อาเองก็ไดีก็ดีเพอเราเห็นเขาล้มต า, าอะไรก็จะเออทุกดวงจิตก็คงอยากอยากจะไปแบบทรมานน้อยที่สุดคืออันนี้เราก็ไปคิดนะอเออถ้าเราทําให้เขาทรมานได้น้อยหน่อยก็น่าจะดีอะไรเงี้ยอจจะก็เลยมองได้นะสองแง่สองมุมอาจจะยืดยืดกวามทรมานให้ยาวขึ้นไปได้ เหมือนพวกใส่ออกซิเจนใช่ไหมพ่อจันจริงนะก็ถ้าเราอยู่ยันท้ายขึ้นมันก็ต้องทุกข์มากขึ้นก็จริงว่ราะจันมันก็มองได้สองแง่มองเขาก็เออมองเขาแล้วก็มาคิดได้ข้อทบก็คิดแต่ไม่จำยงมก็คิดว่านี่เราทําถูกหรือเปล่านี่แต่ว่าอตัดสินใจไปแล้วพอเห็นเขามีน้ําตาไหลก็โอ้ไม่ได้ละเราใจแข็งไม่พอของต้องเอาเขาด้วยซะหน่อยง่ายนะโอเคก็ทําไปตาม ต้องกำลังที่ปัญญาขเราแล้วกันอ่าใช่แล้วก็มีท่าเ น, นี้ค่ะเล็กๆน้อยๆให้ดูว่าเออเราอุเบกขาได้ไหมเราแบบไอนั่นเกินไปหรือเปล่าไปคิดว่าเขาเป็นแมวเขาเป็นของเรามากจนเราไปยึดติดตัวมันที่ทุกอย่างยก็ขึ้นมาพิจารณานว่าเออเราไปมันถึงมั่นว่าเขาแบบนั่นเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแต่คิดเออเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนี่แหละมันตกแต่งตรงนั้นงล้จกันมาไปอย่าลูกก็มาแล้วกัน ไม่มีทุกไม่ได้ทุกนี่ก็เออก็มีเท่าเดียกัอาจารย์เพื่อดูแลใจปฏิบัติอยู่ค่คนะอาจารย์ค่ะช่างแพทรักษาธาตุขันนะคะอออืมอมนากาตลาเทวากลับนำมาสการเจ้าค่ะอาจารย์วันนี้นมารลื่อกฟังกันวันนี้อายุเท่าไรแล้วะูะมณนาคกาอะไรนะคะอายุเท่าไรนะ6กิบ สี่ย่างเก้าหกสิบห้าเลยค่ะหกสิบกว่าฮะแถกว่าอ๋อเกือบแปดสิบกว่าอ่อนกับเราอยู่นะหกสบกว่าแล้เจ็ดสบกว่านะสิกว่าแล้วอาารอาจารย์ก็อย่ว่าดูรางหน้าตามันบางทีก็วัดไ่ได้นะอายุก็กนทำงานขอะ่อาจารย์เป็นคนที่ชอบอยู่นิ่งไม่ได้ก็หมายถึงว่าถ้า ใช่อยู่นิ่งๆก็เรียนหัวเพราะว่าคิดจะกับว่าเราทํางานยังมีกรรมอยู่ยังมีกรรมอยู่ต้องทํางานอยู่ไม่เป็นศูนงานไปทํางานตามแม่ตามอะไรตั้งแต่สมัยตอนที่เป็นเด็กกับอาจารย์ก็ยังนึกว่าโอ้เนาะตอนที่เป็นเด็กนั่งยังตามหลังแม่ต๊ตอกตอกแล้วกว่าจะได้เรียนจบนั้นก็องค์ความที่เราลําบากคว่บอาจารย์นะนึกนึกถึงสมัยเด็กๆพอเรียนจบได้อายุสามสิบปีแล้วก็วอาจารย์ สามสิบปีเรียนเรียนแล้วหยุดหยุดหยุดนำมาทํางานนั่นนั้นแหละค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็พอมีโอกาสได้บรรจุเป็นค้าราการได้ก็นึก ว, ว่าเออโชคดีอายุราชการแค่ยี่สิบกว่าปีค่ะพระอาจารย์แล้วก็กเสียพะอาจา้วก็โชคโชคดีที่ว่ามาเจอครูบาอาจารย์ที่ตอนที่อยู่สุขีินคระพระอาจารย์ก็เลยก็ได้ฝึกตรง น, นั้นพระอาจารย์ก็เขี้ยวเข็นแล้วก็ได้ชี้แนะเด้นให้แนวทางได้ขึ้นมา ได้จเจอก so, so so like <usement connection> ับผ้าชาแนนแหละค่ะผ้าชารแล้วก็ได้ปล่อยวางไปเยอะหมายถึงว่าในเรื่องของอารมณ์นะคะพระอาจารย์อารมณ์นี่จะปล่อยวางไปได้เยอะมากเหมือนกับครั้งนี้ก็คือลงทุนไปประมาณน่ะเยอะเหมือนกันนะคะผ้าชารย์ปลูกแตงควาเกือบสองพันหลุมก็มันก็น้ําท่วมไปก็เอฉยก็เฉยเฉยก็ทุกอย่างก็ อไม่จาย์ไม่เทียงนะใช่ค่ะว่าอาจารย์ก็ในจุดนี้ก็ทําให้เรามันผ่อนคลายอารมณ์ที่มันแบบหัวใจเต้นแบบทุกทักทุกทักทุกทักเราก็รู้สึกว่ามันเสก็สงบสงบลงมากแล้วก็มองมองต่างๆแล้วว่าเออทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วก็มันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหน้ามันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้นะใช่ใช่จะขอบคุณอาจารย์แล้วก็เลยบอกว่า ถ้าเรามีโอกาสเพราะตอนนี้ก็หลานก็ยังจบหมดแล้วก็บอกว่าในแต่ละเดือนในส่วนหนึ่งของที่เราได้มาแล้วก็ไปวัดหาอาจารย์ก็เลยไปวัดหาสิ่งที่ให้เป็นกำลังใจกับตัวเอง ท, ที่จะพาต่อไปเพราะว่าตัวคนเดียวานั <laughs> น่นแหละก็เลยว่าเออก็ดี ชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ไม่มีไม่มีภาระไม่มีพันธะจ้ะใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นภาระค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็สอนโดยว่าสิ่งไหนที่ว่าเขาไม่ให้ช่วยเหลือก็เราก็อย่าไปยุ่งก็ก็ถูกต้องอ่ะแต่แต่ผ่านมาเน่ยชีวิตที่ผ่านมาชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นก็คือ เขาไม่ได้ขอความที่เหลือแต่เราก็ชอบอยากจะไปช่วยอนะไรนั้นก็บางครั้งก็ทําให้เราจิตใจของเราแบะเทือนเหมือนกันก็เกิดอารมณ์ที่มันว้าเบกขึ้นมาอารมณ์มันขุนมัวขึ้นมาอารมณ์บางทีเศร้าซ้อยขึ้นมาแต่พอได้ฟังคําสอนของพอาจารย์ที่ว่าซึมซักเข้าไปซึมซับเข้าไปในที่สุดก็เลยบอกว่าตัวใครตัวมันเนะะาะพยายามทานเพืเราให้ดีที่สุดก่อนอ โอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีเจ้าข่าววันนี้ไม่มีคําถามเจ้าข่าวโอเคเขีน okay. ยนไปที่สลินทอนที่แมริแลนด์มีแต่ส ม, มาชิกาพระอาจารย์เจ้าค่ะอาที่ทล่ามีเพื่อนคนเขาเขเป็นเพื่อนกับสลินทอนมาหรอคะใครอ่ะคะพระอาจารย์เป็นผู้หญิงแต่จําไม่ได้นะเขามีเพื่อนชาวอิสราเอลอิสราเอลคนหนึ่งมาด้วยกันสองคนเป็นเพื่อน Israel. Israel น, นู น, น, น, น, ห, นหรอคะนูนอเขาอกเขารู้จักสลินทอนที่แมริแลนด์ อ๋ออาจจะเป็นเพื่อนที่คณะอะค่ะเพราะว่าเห็นเห็นเขาถามหนูเหมือนกันค่ะว่าพระอาจารย์มีเทศวันไหนแล้วก็รับสังฆทานเมื่อไหร่เพราะว่าคุณแม่คุณแม่ของเพื่อนหนูที่คณะเขาเสียค่ะเขาก็เลยถามหนูว่าเขาอยากจะไปทําบุญเขาจะทํายังไงได้บ้างหนูก็เลยแนะนําให้ไปอะค่ะ<ด>แต่นหนูแนะนําไปเป็นเดื อ, ดอนแล้วคณะนี่อยู่ที่เมืองไทยนะ อ๋อค่ะค่ะตอนสมัยเรียนป ร, ริญญาตรีอยู่ที่เมืองไทยคะ่ะอาจารย์อืมค่ะแล้วก็ก็หนูก็ไม่ทราบว่าเขาจะไปวันไหนอ่ะค่ะอืมก็ยังไม่นะคะมาเมื่อทีแล้วนี้อ่าค่ะเดี๋ยวหนูคุยกับเขาดูว่าเขาสบายใจขึ้นไหมอะคะอ่ะอืมวันนี้หนู ก, หนก็หนูก็ไม่ได้มีคําถามอะไรอะค่ะพระอาจารย์แต่หนูเห็นชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับความอยากอะคะ่ะเรื่องตัณหาเรื่องความอยากเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ลูกสาวหนูเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะได้รถมากเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้ว mm. เขาจะต้องขับรถไปทำงานเพราะว่าเขามีงานพาร์ทไทม์เตรียมตัวว่าจะต้องขับรถไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยค่ะ mm. แล้วก็เขาก็บอกหนูว่าเขาอยากจะไปดูรถอยากจะไปดูรถก็ขับรถกันไปดูขับรถไปเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะไปดูรถแต่ปรากฏ ว, ว่าที่นัดไวเขาไม่ เขาไม่มาค่ะก็คือไปเสียเที่ยวอ่ะค่ะแล้วก็ไปยืนรอเป็นชั่วโมงแล้วมันก็หนาวมากพอนี้พอกลับมาถึงบ้านเขาก็เริ่มเครียดเริ่มมานั่งคิดว่าจะต้องจ่ายค่าประกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาอายุยังไม่ถึงสิบแปดมันก็จะค่าประกันตดมันก็จะแพงอยากได้อยากได้หนูก็บอกเขาบอกว่าหนูไม่เคยมีความทุกข์เรื่องเงินไม่เคยมีความทุกข์เรื่องความอยากจนกระทั่งอายุ ยี่สิบห้าได้มั้งอะไรเงี้ยเงินเก็บหนูไม่มีก็จริงแต่หนูก็ไม่มีความถูกแลหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมลูกจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ความอยากความอยากได้รถของเขาเนี่ยแล้วก็จะต้องไปหาเงินเก็บเออ่ซื้อรถจะต้องหาเงินเพื่อที่จะจ่ายค่าประกันรถหนูก็เลยพอเห็นแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูสงสารเขาว่าหาว่าความอยากมันมีกําลังรุนแรง หนูก็บอกว่ามันไม่จําเป็นเอารถแม่ไปใช้ก่อนสลับกันใช้หนูก็ไม่ว่าอะไรแต่ด้วยความด้วยความต้องการของเขาเนี่ยค่ะมันก็เลยเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้คนเรานี่มันความอยากนี่มันดึงไปได้ทุกทุกทิศทุก ท, ทางทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะได้และไอ้ที่อยากได้มันก็ไม่ใช่ว่ า, าจะทําให้ตัวเองมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะยินยอมที่จะเข้าไปสู่ความทุกข์เพื่อที่จะให้ได้ตัวเองอย่างที่ต้องการหนูก็เลย อย่างที่พระอาจารย์เคยบอกหนูว่าเราจะทุกข์กับสิ่งที่เรามีหนูก็ไม่รู้จะทํายังไงค่ะพระอาจารย์หนูก็ได้แต่ดูแล้วก็หนูก็ค่อยๆสอนแล้วก็หนูกาอะไรช่วยได้หนูก็ช่วยหนูไม่รู้จะพูดยังไงกับลูกจริงๆค่ะพราาอะอาจารย์พระองค์อยากจะให้เราช่วยซื้อให้คล้องจ่ายเงินให้องก็มันก็มีส่วนหนึ่งอะค่ะ มันก็ต้องมีอยู่แล้ว่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าอย่างยังไงมันก็ยังมีค่าน้ํามันค่าประกันรถค่าอะไรเล็กๆน้อย ๆ, ๆซึ่งเด็กอายุเท่านี้เนี่ยเขายังทํางานแค่พาร์ทไทม์เขายังไม่สามารถอจ่ายได้ทั้งหมดแต่ว่าเขาพุชตัวเองว่าเขาต้องการเป็นผู้ใหญ่เขาอยากจะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ความเป็จริงคือมันยังไม่ได้ไงค่ะแล้วเขาก็ไปกดดันตัวเองเขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะเป็นอย่างใชค่ะเป็น ใช่ค่ะความอยากนี่แหละค่ะที่หนูเห็นเนี่แหละค่ะมันอยากทุกอย่างเลยอะค่ะมันอยากแบบอยากโตอยากมีความรับผิดชอบอยากมีอยากได้จะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนจะได้ไปกินไปเที่ยวไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเองก็ไม่พร้อมเพราะหนูก็พยายมามอธิบายแล้วว่ามันถ้าลูกจะอยากแบบนี้ลูกก็จะมีแต่ความทุกข์แต่เขาก็ไม่เข้าใจไอเรานะ่ะมันมองแต่เห็นแต่ความอยากของเขาแต่เราก็ต้องจะทํายังไงให้เขายุดอยาก หนูไม่เป็นคนยังไงจริงๆค่ะอาจารย์ไม่รู้อะไรก็เฉยๆไปหนูก็รู้สึกว่าถ้าหนูจะต้องเอาช่วยเหลือให้เขาคือจริงๆแล้วในในขวัฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองเราก็ต้องช่วยพปอร์ตลูกแต่มันก็จะไปเพิ่มเพิ่มกิเลสในใจเขาว่าเขาก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้มันก็ต้องดูความเหมาะสมความสมควรไม่ใช่ว่าเราจะต้องทําให้เขาเสมอไปอะไรา็ว่ายังไม่ถึงเวลาก็ต้องยืนหยัดบนความคิดนั้น อแต่มันก็คงใกล้แล้วค่ะพระอาจารย์เพราะเดี๋ยวอีกสองสาเดือนเขาก็สิบแปดแล้วเขาก็ต้องอช้ครบสิบแปแล้วค่ะแล้วใบก็ีได้ยังได้แล้วค่ะอเขาทําทุกอย่างแล้วค่ะอาจารย์เพื่อให้ไปตามความอยากในทิศทางที่ใจเขาต้องการอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนทุกอย่างพร้อมแล้วขาดรถอย่างเดียวถ้าก็อยากวก็ไดินรถไปหาก็เองไม่ต้องมายุ่งกับแม่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะตอนนี้หนูก็ทําแบบนั้นแหละคะ่ะอืรอจนกว่าเขาจะดิ้นลนจนไม่ไหวจริงๆแล้วหนูถึงจะยื่นมือเข้าไปช่วยเนี้ยะคะ่ะอืค่ะ <c oughs> แล้วก็เอ่อก็ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็ไม่สบายเอ่อแต่ก็ก็รักษาตัวไปเรื่อยๆเพราะมันหนาวมากแล้วก็อีกสองอาทิตย์นะคะพระอาจารย์หนูก็ตกลงหนูได้ที่จะไปอ่าสมัครไว้ว่าเป็นไปนปฏิบัติธรรมที่โกเอมก้าค่ะ ก็จะไปปฏิบัติที่เดลแวรศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เดลแวร์เขาก็ตอบรับหนูกลับมาแล้วตอนแรกเขาบอกว่าให้หนูเป็นเวดิ้งลิสต์ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าแต่ต้องเป็นเพราะบุญบารมีพระอาจารย์นะหนูก็เลยได้รับไม่เกี่ยวอะไราหนูก็เลยได้รับอีเมลตอบกับมาว่าให้ไปได้ยนบาให้เราต้องเป็นบุญสิค่ะพระอาจารย์ตั้งใจมา โอ้หนูไม่ได้ปฏิบัติทำนานแล้วหนูรู้สึกว่าโอ๊ยสติสตางเราหายไปไหนหมดเนี่ยแต่หนูยังนั่งสมาธิอยู่ทุกวันนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่สงบอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีของหนูที่จะได้เข้าไปเข้าไปเต็มที่อะคะ่ะสิบวันก็คุยกันค่ะหนูก็ทิ้งหมดลูกเลิกก็ทิ้งหมดไม่สนใจให้เขาอยู่คนเดียวฝากทางบ้านให้เขาดูแลได้ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะพระอาจารย์พอดีเมื่อกี้นี้จิ๊บเขาส่งมาสเซจข้อความมาว่าวันนี้เขาคงเข้าไม่ได้นะคะถ้าหนูไม่ทราบว่าเขาเข้าหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ฝากค่ะค่ะฝากกล่าวพระอาจารย์แทนจิ๊บด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอให้พระอาจารย์ท้าทันแข็งแรงนะคะนะขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะคะในคําสอนค่ะเอกสารเจ้าคขาคุณปุ้ยใช่คุณปุ้ยรักเสมอ มนมักนการค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าจะมาวันนี้ไม่สบายนิดหน่อยแต่ยังปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์สบายดีไหมสบายดีจ้ะอโยมโยมคุณปุ้ยไม่ค่อยสบายเป็นแบบมันจะปวดหลังเหมือนกับมีอะไรมาแกล้งแล้วก็แบบเออมันมันเหมือนมีอะไรคือทำให้เราหย่อนหย่อนไปแต่ว่า โยมก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทําเลยคือเหมือนเหมือนกับมีอะไรเวลาที่โยมอ่ะจะนั่งสมาธิแล้วมีอะไรมาติดคออย่างเงี้ยมีอะไรแบบเหมือนมันเหมือนมาบีบคออย่างเงี้ยแต่โยมก็นั่งสมาธิได้โยมก็นั่งได้วันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงแล้วเออปัญหายาใหญ่ๆของโยมมาเพิ่งเกิดเมื่อเช้าเนี้ยคือโยมเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกับมีอะไรมามาทับหลังโยมอ่ะ โยมก็ไม่ได้ทําอะไรนะโยมก็ไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรนะโยมก็ยังสงสัยโยมก็เลยบอกว่าขออธิษฐานขอบารมีขอให้โยมหายนะเพราะว่าโยมไม่ได้ถ้าโยมไปเหยียบขาใครหรือโยมไปทําอะไรโยมขอเข้ามาเพราะโยมตั้งจิตตั้งใจจะสร้างบุญสร้างบารมีแล้วอือฮึโอเคก็่ปล่อยไม่ปล่ยถมันจะหายก็หายเองไม่หายก็อยู่กับมันไปใช่คอยโูกมัน โยมก็เลยก็นั่งตั้ ง, ต, งตั้งจิตตั้งใจขอสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปไม่ไม่มีอะไรมากใครโยมเหมือนเดิมถือศีลเจ็ดเหมือนเดิมเจ็ดครึ่งวันถือศีลแปดค่ะโอเคให้สุขกาเจริญนะค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ ะ, <า>ะก็ตั้งจิตตั้งใจแล้วว่าจะปีนี้หรือปีหน้า ใกล้สิ้นปีแล้วโยมก็ตั้งจิตตั้งใจว่าปีหน้าจะต้องเพียรให้มากกว่านี้เพราะปีนี้ย่อนยานไปหน่อยขอเข้ามาด้วยค่ะ <Okay. S 2> แต่เนี่ยตั้งใจแล้วว่ายังไงก็เดินทางทำไม่ไม่ออกนอกลู่ทางค่ะขอะสมความปรารถนาในความตั้งใจนะค่บ ข, ขอบคุณพระอาจารย์ค่ ะ, ะสาธุคุณคุณแม่จากคุณป้า ก, กาบนักาพระอาน้าจา์ครับก็มาร่วมฟังธรรมกับกาลยาณมิตรครับอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันก็จะมีคําสอนพระอาจารย์เหมือนมาคอยเวลามีเหตุการณ์ต่างๆจะมีเหมือนมีพระอาจารย์มาคอยสอนอยู่ข้างๆตลอดครับพระอาจารย์นี่คอยประจิตใจไหมนะ <c oughs> <อ>่ครั<อ>บเช่นว่ายอมหยุดเย็นอย่างนี้ที่พระอาจารย์จะสอนบ่อยๆครับก็ใช้ในทางโลกได้ในในหลายเหตุการณ์ ค่ค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรขอพระอาจารย์โอเคขอสร้างสร้างสติสร้างสมาธิให้มากขึ้นนะคะรอารย์ค่ะโอเครับขอบพระคุณพระอาจารย์คุณมาลคุณมาเลยมีสติมีสมาธิแล้วอนี้นัสร้างปัญญาจากหวพอค่ะไยังปฏิบัติถึงทุกวันค่ะหวพออันนี้จังทุกขกัตตานะ ค่ะหลวก็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นหลายๆอย่างเกิดแล้วก็ดับลงะคะ่ะแล้วก็ใจทําให้เราใจเราเงินยอมรับความเป็นจริงได้ค่ะแล้วก็เหมือนแบบปล่อยวางๆอะไรอย่า ง, า ง, า ง, างนี้ยค่ะแล้วก็สงบอยู่ค่ะหลวงพ่อมีทำไปได้เลยนะค่ะวันนี้หนูหนูอยู่ที่นครนายกนะคะหลวงพ่อยู่ที่บ้านใไปเนี่ย ทีเรือนที่ทําใหม่อะค่ะหลวงพ่อสวยดีนะข้างหลังเป็นไม้สักแบบเป็นไม้ันเป็นอะไรเป็นเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งอะค่ะหนูไม่ไม่ทราบอะค่ะเป็นหน้าต่างไม่เป็นอะไรเลยเป็นหน้าต่าง ค, ะงค่ะหลวงพ่อเป็นเป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยค่ะดูแปลกนี่ยมองมองเข้าไปก็จะเป็นสวนมันมืดมแล้วะลอะค่ะหลวงพ่ออยู่คนเดียวเลย คนเดียวค่ะหลวงพ่อมาลงรถก็วิ่งค่ะหลวงพ่อลงรถก็วิ่งขึ้นมาบนเรือนนี่เลยค่ะเพิ่งเพิ่งจะลองนะมาขึ้นมาตอนที่เสร็จแล้วเพิ่งจะขึ้นมาเนี่ยค่ะหลวงพ่อยังอยู่ติดกับบ้านใหญ่อีกทีเลยติดก็ก็ห่างห่างนิดหน่อยค่ะไม่ไม่ไม่ห่างมากค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็เงียบเป็นแบบเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไม่ไม่มีคำว่ารบกวนนะไม่มีค่ะหลวงพ่ออ่าเนี่ ยังคืนก็สงบดีค่ะหลวงพ่อหนูให้เต็มที่เลยนะเป็ที่ปฏิบัติของเราแล้วค่ะหลวงพ่อเต็มที่ค่ะหลวงพ่อโอเคขอบคุณหลวงพ่อค่ะสาธุมันแป๊บมันเจอมันแป๊บปเจยาน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีอะไรเจ้าค่ะแต่ว่าลูกจะ อรายงานว่าลูกเอจองวันปฏิบัติธรรมจะไปบนเขาทิโยอในอครั้งหนึ่งแล้วเจ้าค่ะโอเคดีประชันแบตเตอรีประชันแบตเตอรีเจ้าค่ะรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านมันปฏิบัติไม่ได้เจ้าค่ะก็เลยอยากอย <Okay. S 2> ากไปอีก <Okay. S 2> ได้มีโอกาสไปอีกเจ้าค่ะครั <Okay. S 2> ้งนี้ไปหนุกคืนเจ้าค่ะโอเคนะเนี่นเยเจ้าค่ะดี อันนีีม้ ม, มอาอาจารย์มีอะไรแนะนํำไหมเจ้าคะก็ปฏิบัติให้เต็มที่ก็แล้วกันสติสมาธิปัญญาเนี่ยถามตัวเจ้าค่ะลูกว่าลูกไปอยู่กับความกลัวแล้ ว, แ ล, วแล้วมันสงบดีเจ้าค่ะลูกชอบเจ้าค่ะ อ, ะอะดี่กิเลสมันไม่ชอบความสิ่งที่น่ากลัวตอนตอนเป็นสิ่งที่น่ากลัวกิเลมันหดตัวไปหมดมันเลยทาใจให้สงบเจ้าค่ะ พยายฝ<อ>ึกให้สงบควบกรมกิเลสนะเจ้าค่ะโอเคอาจารนี้ก่อนนะเจ้าค่ะน้องกลับสาธุเจ้าค่ะอ่ากุณนฟังว่าอะไรง่ายๆมันได้ที่สงบที่ไหนได้ยได้แล้วเจ้าค่ะเดีเ๋ยวหนูจะไปกันจนาบุรีค่ะจะเป็นพวกทํารอดอะค่ะแล้วก็ไปอนอนกลางเต็นเพราะว่าตอนนี้แฟนเขานั่งสมาธิได้แล้วแล้วก็ แฟนหนูอะปกติเขาจะเป็นคนลมๆล อ, ลอนะคะอาจารย์ตอนไปโรงพยาบาลอะเขาจะทออาจาะเลาะอ้าวนาทีทุกครั้งเลยรอบเนี้ยหนูบอกว่าเออฟังพระอาจารย์เท่แล้วอะเอาไปใช้นะยอมหยุดเยอะเขาก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวป้าป้าจะลองทำอะไรเงี้ย อ, อีกหนูก็บอกว่าอยา่าเออาปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนปัญหาอยู่ที่ระบบอะไรเงี้ยหมอวีก็เคยบอกไว้แล้วว่ า, ว า, วาปัญหาเรื่องสารณสุขมันก็มีปัญหาอยู่แหละเขาก็เลยบอกว่า โอเคเขาไปทึกถึงปุ๊บรายงานเขาก็บอกว่าก็นั่งนั่งอยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเจ้าหน้าที่มาคุยมีปัญหาเหมือนเดิมเขาก็ยอมรับได้อะไรเงี้ยค่ะกลับมาเขาก็บอกว่าทำได้แล้วนะอะไรเงี้ยเอกก็บอกหนูก็หนูก็บอกเออเนี่ยไทยได้ละยอมหยุดเย็นประมาณนี้ค่ะก็ <Okay. S 2> แฟนเทีเเ่เป็นเป็นเพื่อะค่ะเราก็เลยตกลงกันว่าถ้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไปไ ป, ไปนั่งไปนั่งสมาธิก็น่าจะได้ น่าจะได้ปัญญาเพิ่มมาด้วยอ่ะค่ะลองดู <c oughs> ค่ะแลก็ไม่ได้ปัญญาไม่ได้อุเบกขาไม่ไดอุเบกขาขอโทษค่ะ<ม>ค่ะแล้วก็จริงๆหนูที่หนูหายไปที่เรียนพระจันทร์ที่วัดอะค่ะเราป่วยแล้วก็มันป่วยอัตรหนักนะคะก็นอนสมแล้วก็เออหนูใช้วิธีเป็นนอนสดมนเออในใจ จนกระทั่งมันมันกลับไปทํางานก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะคะ่ะกลับมาก็เป็นไข้สมเป็นไงนะคะ่ะกลับไปกลับมาสองอาทิตย์สามอาทิตย์กว่าพอพอมันนอนพอมันชินในการนอนนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนสติมันน้อยกีเลสมันมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันติดนอนเจ้ค่ะแต่ว่าพอเจอพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าเออปรับให้ให้ทํานะถ้าทํามันก็ได้ได้ตัวหนูเองหน่อยไงหนูก็ลุก พยายามลุกขึ้นมานั่งนั่งนั่งจนหลหับอะค่ะพระรู้ว่ามันสับปสปงกแล้วหนูก็เลยไปนอนทีนี้วิธีการวิธีการที่จะให้สติมันมันมากขึ้นกว่ากิเลสอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พอจะเทศสอนหนูอีกสักนิดได้ไหยคะ ร, ร็พุโทโธไปต้าพุทโธพุทโธไปถ้าเบื่อก็สวดมนต์ไปถ้าเบื่อก็อ่านการที่สองไปอย่างเฉย อ๋อใช่ตอนป่วยหนูก็ใช้ดูพวกพวกความจะป่วยร่างกายเงี้ยค่ะมันมันมันก็เหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าเอ่อใช้ใช้ปัญญาเยอะไปสติน้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เล ย, ม, เลยมีปัญหาช่วงป่วยเยอะกว่าจะแบบดึงเอากลับมาได้นี่ก็เหมือนเริ่มต้นใ ห, ใหม่อย่าไปคิดม า, า, ากอย่าไปคิดมากค่ะง่จ้ค่ะพรุ่งนี้ว่าวัน <ไป S 2> วันหยุดหนูก็เลยหนูก็เลยตั้งใจบอกที่ทํางานเลยว่าหนูไปวัดนะใครแบบส่งเมสเซจมานี่หนู หนูจะแบบไม่ตอบก็ใช้ประโยชน์พรุ่งนี้ให้มากที่สุดค่ะโอเคดีอ่อคนห่งมาอ่าแม่น้องหนูพระอาจารย์ถาได้กินหนูไหมเจ้าคะได้ชัดเจนของหนูก็ุปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ของพระอาจารย์ขะพอดีปัจจุบันหนูก็ ทดสอบตัวเองค่ะก่อนหน้าที่หนูจะมีปัญหาเกี่ยวกับการผ่าสมองเนี้ยคะ่ะอาจารย์หนูชอบออกกำลังกายลดน้ำหนักค่ะพระอาจารย์แต่ประเด็นคือความอยากะคะก็ะกินๆมันก็กลั บ, ลบมาอ้วนนะคะะอาจารย์ทีนี้หนูเห็นว่าเออรุยปฏิบัติธรรมแล้วแบบพลังใจเยอะก็เลยลองทดสอบโดยการกินอาหารวันละหนึ่งมือะะ้อค่ะพระอาจารย์ ก็อยู่ได้มาตลอดน้ําหนักมันก็ลงทีละขีดทีละขีดนะคะพระอาจารย์หนูก็เหลือว่าอกของดีไม่ต้องกินยาแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายเยอะอะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยอ่ทานอาหารหนึ่งมือก็อยู่ได้อ่ะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ออกเออ่แล้วก็ทํางานได้ไม่เหนื่อยนะคะพระอาจารย์ไม่ผีเียดด้วยอ่ะคะ่ะก็เลยเอามาใช้ในปัจจุบันเนะะี่ยค่ะถึงร่างกายมีปัญหาแต่มันก็ แบบไม่เหนื่อยถ้าใ จ, าจมีพลังแล้วมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่รู้สึกเหนื่อยใช่ค่ะเพระาะใจมันมองเห็นเป็นกิจกรรมหมดเลยอ่ะค่ะเพราจารย์<ม>เลยแบบไม่เหนื่อยไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ถึงเหงื่อยจะออกก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราจารย์ก็เลยว่าอกอาหารหนึ่งมือ้อหนูก็ลองกินแบบเป็นสลัดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราจารย์ก็อยู่ได้นะคะพลังงานก็คือเอาของดีเข้าไปในร่างกายอะค่ะเพราจารย์ก็อยู่ได้ไม่ เพียไม่เหนื่อยไม่เจ็บปวยอะไรอ่ะค่ะพ่อจันหนูก็เลยแบบพอหนูวันนี้หนูไปพบแพทย์อย่างเงี้ยค่ะก็ติดตามผลการรักษาอย่างเงี้ยค่ะตอนเรื่องเนื้องอกเนี่ยหมอเขจะบอกว่าถ้าเนื้องอกโตอีกก็จะผ่าตัดอีกก็เป็นรอบที่ห้าค่ะพ่อจันสำหรับสมองหนูก็บอกว่าดีค่ะแบบถ้าถ้าทํามีการผ่าตัดหนูก็จะแบบประมาณว่าไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่า มันกลายเป็นมอเป็นการผ่าตัดเป็นการสนุกอะค่ะพระอาจารย์ไม่ได้กลัวเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่มได้เจ็บปวดร่างกายมากในปัจจุบันอะค่ะพระอาจารย์พอมาลุปฏิบัติธรรมหนูก็เลยได้เห็นของดีตรงเนี้ยคะ่ะ<ม>เกี่ยวกับการเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยคะ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ขอยายนะคะตอนหนูผ่าตัดอะค่ะพระอาจารยนะ์ไม่ทุกข์กับร่างกายนะไม่ทุกข์กับมันเจ้าค่ะแล้วแผลก็แห้งไวมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้ไปอยู่ ไม่ต้องไปแบบดูแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผลก็จะแห้งไวอไวัยวะมันทางก็ยอมรับหัความเป็นจริงมันก็ใช้ร่างกายที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์นะคะพระอาจารย์ก็ลุยเจ้าปล่ยยอยวางทุกอย่างให้ได้หมดนะเจ้าค่ะก็เลยไม่เหนื่อยเลยค่ะพระอาจารย์ก็ใช้ร่างกายที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ค่ะโอเคสาธุจ้สาธุจธ้คุคณหอสุนทรเ ธรรมส ก, การท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะสงบไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่ไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยมีปัญหากับอะไรเจ้าค่ะอ <Okay. S 2> มีความสุขดีเ <Yeah. S 2> จา้าค่ะ <Yeah. S 2> ท่านพระอาจารย์ <Yeah. S 2> ขอบคุณเจ้าค่ะได้กลิ่นบานองซเซเลมใกล้ๆกับปอนลานเนี่ยน้องจ่ายอยู่ใกล้ๆกันน้องจ่ายกันหรือเปล่า ในในเคยได้ยินชื่อน้องบ่อยคะอ่ะแต่ไม่เคยเจอกั น, นเข้ามาอยู่เท่าไหร่น ะ, ะกรกลับมากราบนมัสกรารค่ะก็ปฏิบัติบูชาเหมือนเดิมจะค่ะโอเคแล้ว ก, <ล>ก็มีคุณแม่แล้วก็พี่ๆจาก อ, าอุจจีนปากกรับนมัสกรารด้วยจ้ะค่ะท่านมาถวายเพง ท, ทุกทุกอาทิตย์จ้าค่ะทํตามาเลยตามตามอาการนะ จ้ะค่ะกลับนมัส ก, การปฏิบัติบูชาอยู่ยังจำําเสมอเจ้าค่ะอำหรับ<ะ><ะ>ที่กูเน่งต่อกูเน่งปฏิยาไอกูเน่งยังทำงานอยู่ล่าค่ะอาจารย์ทำงานค่ะใส่ชุดทำงานอยู่ค่ะค่ะก็ทํางานแล้วก็อยู่ในออนไลน์ด้วยค่ะอาจารย์ก็คุยกับน้ อ, นองๆทีมงานนะคะค่ะ ทำโอเวอร์ทามยังไโอทีเดกนึงมาเร่ยๆเข้มาเนี่ยค่ะพระอาจารย์เป็นงานที่บางทีเราจับเวลาอ่าไม่ได้นะครับพระอาจารย์แต่ดีอย่างหนึ่งเป็นแบบนี้ก็ดีเราจับเวลาเวลาหนูไปวัดน่ยหนูไปได้อะครับพระอาจารย์อันนี้หลานสาวก็ถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยแย่จะพาหนูไปวัดไหมโอ้โหโอถ้าถ้าเสร็จงานทันก็จะไปอก็เลยบอกเขาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ เพราะเด็กๆเขาก็เริ่ ม, มเหมือนเริ่มขาดติดแล้วค่ะแล้วรู้หน้าที่ด้วยตอนนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำประจำนะค่ะพาพาไปทำประจำค่ะจากที่ง ง, งนี่ค่ะแล้วก็แม่ก็เริ่มไปใส่บาตในตอนเช้าวันนี้ทำแต่แต่เช้าค่ะอาจารย์อย่างหนึ่งคือสิ่งที่หนูได้ปฏิบัติตามที่อาจารย์บอกก็คือการเจริญสติมากขึ้น อ่าหลังจากที่เราไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดถึงเรื่องงานก็พุโทพุโทพุโทตลอดบางทีก็เอา้าลืมตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวพูดโทดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพยายามเตือนตัวเอง<ม>แล้วเวลาทํางานก็คือโฟกัสเรื่องงานค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็คือตั้งเป้าหมายในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ก็ค่อยๆขีคคคค้คลายและอีกอย่างหนึ่งค่ะพระาอาจารย์อ่าหลังจากที่เจริญสติได้พอมานั่งสมาธิ ในตอนกลางคืนก็เริ่มตื่นแต่เช้าจากที่เราคิดว่านั่งได้ไม่นานก็เลยลองตั้งเวลาลองดูค่ะ mm hmm. พอได้เป็นชั่วโมงก็คิดว่าเอ้าทำไมลามทาไมผ่านไปเร็วจังผ่านไปเร็วมากเหมือนแต่ก่อนเนี่ยไม่ไม่ใช่เลยมันเหมือนแบบว่าโอ้โหนั่งมันเราอาจจะฟุ้งซ่านใช่ไหมคะอาจารย์ยันอยู่กับพิเรแต่พอฝึกบ่อยๆเหมือนที่อาจารย์บอก ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเร็วแล้วก็เวลาทําอะไรก็ใจเบาสบายไม่ไม่ได้ทุกข์กับอะไรมากมายค่ะพระอาจารย์เราก็คิดว่าปฏิบัติมาถูกทางแล้วก็พยายามปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์มีอะไรแนะนํำไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพาให้มากขึ้นทำให้บ่อยขึ้นน ะ, ะค่ะพระอาจารย์อ เ, เอาที่เวลาทําได้ค่ะก็ไม่ ค่ะมันก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะดีมากอารสากการสามทกพระอาจารย์าาคุณจ้าชาากลับถึงปวดแล้ ว, ลวหรอือกบับมนมรดการค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะกลับมาได้ประมาณสองสองสามทิตย์แล้วค่ะหลับตั ว, วดได้แล้วนะค่ะได้ค่ะอาทิตย์ที่แล้วไม่ตื่นค่ะคือถ้าจะมาเข้าซูงต้องตื่นตีห้าแล้วก็ ตั้งในเดืนนาฬกาใบชั่วโมงนะตอนนี้นะคะใช่ก็ตั้งไว้แล้วก็ปรากฏว่าตั้งไปกดเอพเอมไม่ได้กดเอตื่นว้นทิตยแปดโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอ้อาตายละเลยเวลาอาทิตย์นี้ก็เลยตั้งใจจะเข้ามากราบแล้วก็มีคำถามนิดหน่อยเรื่องเออเมื่อกี้ของขอต่อยอดคำถามเรื่องเกี่ยวกับอัตาค่ะอาจารย์ ว่าหนูเคยอ่านเจอเรื่องของอุปาทานที่สี่อย่างอะค่ะที่เป็นความยึดในกามในทิฏฐิในศิลปตัติะแล้วก็ในอัตตาค่ะอาจารย์คำว่ายึดในอัตตามันก็คื อ, อเหมือนมันเกิดมาคือตอนรู้สึกหนูอะมันเป็นเพราะหนู่มีตัวเองหนูก็เลยมีความอยากแต่ว่าในปฏิจจสมุปบาทอะคะ่ะ อุปาทานมันมาหลังตัญหาก็คือแปลว่าจริงๆแล้วมันคือถูกไหมคะว่าเรื่องเรื่องอุปาทานในปฏิจจสมุปบาทก็คืออุปาทานเดียวกันนี้อ<น>มันก็ต้องมีตัญหาความอยากมันถึงอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นมามันก็จะเกิดอุปาทานยึดดัน้นยึดติดกับสิ่งที่ได้มาไงอืมอรู้สึกรู้สึกมันไม่แม็กเซนเลยคะ่ะอาจารย์ว่าทําไม หนูไม่รู้สึกว่าถ้ามันไม่มีคนอยากแล้วมันอะไรทำไมมันแบบใครมันจะอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แบบพระพุทธเจ้ามาสอนว่ามันไม่ได้มีคนอยากมันมีเหตุปัจจัยเหล่านี้แล้วมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานมันก็เลยทําให้ตัวตนขึ้นมาคือเหตุของความอยากก็คือความหลงะหลงคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสุขนามยศลเสริญเป็นสุขรูปเสียงกลิ่นรสเป็นสุขมันก็เลยอยากได้ มืออ uh, <okay. S 1> ถ้ามันเห็นตายแล้วว่าเห็นเป็นทุกข์มันก็จะไม่อยากได้ยังไม่มีใครเห็นเห็นเห็นแต่เป็นสุขทั้งทุกคนเกิดมาก็เห็นลามยึดสา ร, ส, รสุกเป็นสุขใช่ไหมค่ะ <Ha. S 1> ก็อยากจะได้กันพออยากได้มันก็ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นไม่อยากให้มันจากเราไปอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดอืมแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติแบบเอาเอาเรื่องแบบว่าง่ายๆเช่นอย่างสมมติ อ่ uh, พาพระอริยบุคคลสมมุติพระอรหันเลยอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าท่านโดนยุงกัดแล้วคันแล้วรู้สึกว่าคันแล้วก็เลยอยากเกาอย่างเงี้ยค่ะความความอยากเล็กน้อ ย, อ ย, อ ย, อยแบบนี้มันไม่ได้คือถึงแม้ว่าจะอยากหายคันแต่ว่ามันไม่มีความยึดติดในความอยากหายคันนั้นถูกไหมคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะทําให้หยุดไม่ให้ท่านเก่ามันอะไรประมาณอย่างนี้ถูกไหมคะท่านไม่มีความอยากให้มันหายเก่าท่านเฉยเฉ อ, อก็คือบางทีท่านก็ไม่เก่าด้วยซ้ําอย่างเงี้ยนะคะให้เก่าก็ไปไมั้กัดไป เรือมันคันก็ปล่อยมันคันไปถ้าไม่เดือดร้อนนะอะเข้าใจไหมถ้าปล่อยวางได้หมดได้โอเคค่ะข่าวในข่าวันนี้ไม่ได้มีคําถามอะไรมากก็<ม>หนูอีนี้ค่อนข้างหลวมนิดนึงค่ะในด้านการปฏิบัติแต่ว่า<ม>ก็คือไม่ได้ทําไม่ได้ทําแบบทุกวันขนาดนั้นนะนะคะแต่ก็<ม>ในอาทิตย์หนึ่งก็คือยังมีการนั่งสมาธิอยู่หลายครั้งพอสมควร แต่ว่าก็ทำไปค่ะก็หนูก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะปฏิบัติละหลวมคือช่วงเนี้ยค่ะพอกลับมาถึงปั๊บมันมีเหตุให้อ่าต้องรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ว่าหนูรู้สึกได้ว่าถึงแม้ว่าจะปฏิบัติละหลวมมันก็ยังดีกว่าไม่ปฏิบัติเลยเพราะว่าหนูรู้สึกได้เลยว่าความทุกข์ความ ความใจสัน่นความอะไรที่แบบปกติจะมีกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะมันจางลงไปมากแต่ก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ก็เลยไปแอบเป็นกำลังใจนิดนึงว่าอ๋อโอเคขนาดว่าละหลวมามันก็ยังไม่ได้หายไปเท่าไหร่ความความนิ่งของใจก็อยาไปบำบัดเพราะมาันอาจจะเป็นอันิสสของการปฏิบัติ <c oughs> ที่เรานได้ทำมาแล้วค่ะ<า>ตอนนลัง น, นี้ผลมันยังไม่เกิดเดี๋ยวตอว่อไปอาจจะรู้สึกว่าจิตเราเริ่ม เริ่มเสริมลงมากกว่า น, นี้ก็ได้อืมโอเคค่ะเพตอนนี้เราเพิ่งทําเหตุละรวมผลมันยังไม่ตามมาผลที่เราได้ตอนนี้นี่มันอาจจะเป็นผลที่เกิดจากเหตุที่เราได้ทําไว้ล่วงานนี้มาก่อนหน้านี้ก่อ น, นอ๋อโอเคค่ะเอย่าไปคิดว่าตอนนี้ตลาดรวมจิตเราก็ยังแข็งแกร่งดีอยู่เดีย๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปถ้าพักให้ทําำไมันไม่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนนะัอื ม, อมโอเคเข้าใจละค่ะ S <S อ, อยา<บ>่ า, ยาประมาทพยายามรักษาระดับการปฏิบัติไว้ให้ได้ถ้าไม่อยากจะต้องต้องเสียประโยชน์อ น, นิสงส์จากการปฏิบัติไปการนันอาจจะช้าหน่อยมันจะไม่ไม่อาจจะทันทีทันใดอืมโอเคเข้าใจนะคะพราจารย์ะขออนุญาตกลับไปตรงเรื่องอุปท า, านเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะคะในในเรื่องของถ้าเรามีความรู้สึกยึดติดหรือว่าความรู้สึกผิด กับสิ่งที่เคยทำไปในอดีตเนีงง้ยค่ะมันถือเป็นอุปท า, านถือเป็นทิฏฐิอุปท า, านในทิฏฐิหรืออุปท า, านในอัตตาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะมันก็ยังอุปท า, านในเรื่องที่ที่เราไปยึดไปติดอยู่เราไม่ปล่อยโอเคค่ะจะว่าเป็นทิฏฐิก็ได้ทิฏฐิก็คือความพิ็นของเราเราเรายังไม่ปล่อยความพิ็นกับเรื่องนั้นอยู่ <c oughs> มันเป็นอดีตไปนล้วผ่านไปแล้ ว, แ, ลวแต่เรายังเอามา เอามาคิดเอามาทุกกับมันอยู่ยังอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ถ้ามีสติกแล้วก็มผ่านไปแล้วเป็นปัญญาแล้วก็มันหมดแล้วเราไปกลับมาอยู่ปัจจุบันหยุดคิดไอ้พอเราหยุดคิดไอ้ทิฏฐินั้นก็จะหายไปทันทีทิฏฐิมันก็มาจากความคิดความจาของเราแล้วอืมเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ที่ยังไม่มีปัญญาที่จะยอมรับได้ว่ามันเป็นเรื่องในอดีต อย่างน้อยพอมันโผล่ขึ้นมาไม่ใช่สติหยุดมันอย่าไปคิดทั้งหมดพูดโตพูดโตไปค่ะค่ะาเท่านี้แล้ค่ะวันนี้คําถามอาจารย์นะอย่ใช้สติกะเออมื่อกี้หนูจะจะพูดว่าอย่างไงอะไรนะคะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะบอกให้ใช้สติหนูว่ก่อนมันจะคิดว่าจะใช้อะไรอ๋อเปล่าค่ะหนูแค่จะบอกเฉยๆว่าคําถามมีเท่านี้ค่ะแต่ว่าหนูก็คิดว่า น่าจะต้องใช้สติล่ะค่ะแต่ว่ามันเหมือ น, นตามความรู้สึกหนูคือไม่ใช่ตามความรู้สึกคือตามตามเหตุการณ์จริงอะนะคะว่าในสมัยก่อนนะพอมันคิดขึ้นมาแล้วก็รู้นะคะคืออย่างน้อยเรารู้ละว่าเราคิดแต่กําลังที่จะหยุดคิดอ่ะมันไม่มี <Okay. S 2> แล้วตอนเนี้ยมันมันดีขึ้นคือพอมีอะไรความคิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาปั๊บและรู้ว่ามันขึ้นมาและใจสามารถบอกได้ว่าพุโถพุโถแล้วมันก็อยู่ที่พุโถอะไรอย่างเงี้ย อช่สติตเนี่ยเป็นตัวที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่เป็นการหยุดแบบชั่วคราวค่ะแต่แบบทังทังที่บอกตัวเองนะคะว่าไม่ชอบเลยไม่อยากถูกแต่ก็คิดอยู่นั่นนะ ม, ม, <c oughs> มันยังยึดติดงไงอุปทานในในทิฏฐิอยู่ค่ะคว า, ค, วาคิดก็ความคิดก็เป็นสังมาสเป็นสังกปโปเป็นความคิดเป็นความคิดมันก็มาคู่กับทิฏฐิความเห็นะครับ อ่าอ uh ่า huh. ะ uh huh. พยายามหยุดชินแล้วทิฏฐิมันก็จะหยุดชินทิฏฐิมันก็จะหยุดตามไปเรือยอ่าพอคิด huh. okay, แล้วมันก็เกิดเป็นทิฏฐิขึ้นมาพอคิด uh huh. okay, เรื่องนั่งนั่งนี้ก็มีความเห็นกับนั่งนั่งนั่งนี้ขึ้นมาอ uh huh. ันทีอืมให้ฝึกสติไว้เครื่องมือที่ดีสุดสำหรับสําหรับรักษาจิตในในในเบื้องต้นใช้สติไปก่อนนะ yeah. เรมีสติแล้วที่ขั้นต่อไปก็สอนให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นตายแล้เป็นทุกข์อย่าไปยุ่งมันระบบการทํางานของทิฏฐินี่มันก็เป็นระบบเดียวกันกับการทํางานของการสร้างปัญญาถูกไหมคะคือสุดท้ายมันก็ต้อง ไ, <ด><ม>ไปความธรรมกันไปความธรรมกันเป็นคือเป็นทิฏฐิมาทางซ้ายปัญญามาทางขวาอะไรแบบนี้ใช่ทิฏฐิมันไปทางยดติดไปอยญายังไม่หลงที่มันเป็นศูนย์เกี่ยแต่ทั้งคู่เป็นการคิดแต่แค่ว่วาาปัญญ คิดบบเป็นสทางปัญญาคิดปล่อยวางคิดว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ะ้อเห็นทุกข์แล้วมันก็จะมันก็จะเป็นปัญญาถ้ายังเห็นเป็นสุขอยู่ก็ยังเป็นกิเลสอยู่เป็นความหลงอยูอเ่เข้าใจแล้วค่ะเท่านี้แล้วค่ะพรอาจารย์วันนี้ค่ะโอเค่าธุค่ะขอบพระคุณค่ะพรอาจารย์โอเคคนเกียรติบัณฑิตนานๆจะเข้ามาทันทีเป็นยังไงได้ยินไหม อ่าทำไมเป็นสีขาวดําดละ่ะเป็นกล้องเป็นพิเศษเตั้ง <ไป S 1> ต้งสีได้เดี๋ยวเดเีก็ฟูข่าวอาจารย์เหมือนมือไปโดนเอฟติดอะไรท่าอย่างครับไม่เวลานัาดีเหมือนกันดูแปลกดีเมือนดูเหมืนอนอ่วาวได้ครับดีแล้วครับมันดูเหมือนดูหนังเผาดําสมัยก่อนมันตั้งได้ครับบางทีเหมือนมือไปโดครับแต่ไม่เคยเห็นหมดนี้ก่อนมาก่อนครับรรอาจารย์แปกกลกจริงจริงก้องมันเก่งนะครับใช่ครับอาจารย์คนไม่สวยยังทําให้สวยได้เลยนะ ใช่ครับอก็มันมีข่าวโดนคนโดนหลอกเยอะเหมือนกันครับอืมโปรไฟล์ดูโปรไฟล์ี่สวยๆกันะั้นั้นเลยนพอเจอตัวจริงนี่มีคนๆเลยนี่ยอย่างข่าววันนี้ก็มีเหมือนกันครับที่แบบเอ่อเอารูปโปรไฟล์สวยๆมาพอเจอตัวจริงก็ไม่ไม่เหมือนกันครับไม่ตรงปกเลยนะไม่ตรงปกนะ เอ้ยอย่ า, ยาไปเชื่อเลยต้องใช้การรมสูตรมากๆนะการามสูตรพระเจ้าบอกอย่าไปเชื่ออะไรใช่ครับต้องไปพิสูจน์ให้เห็นของจริงก่อนว่าเป็นอย่างที่เขาเสนอมาหรือเปล่าใช่ครับขณะผมเองเราช่วงที่เรียนนวดกับคนร้านแถวบ้านก็เขาก็ให้เราจ่ายค่าที่จะไปแบบข อ, อเป็นใบประกาศคณิยาบาลนี้ครับสุดท้ายก็ไม่มีจริงครับนช่เลยครับแต่เราก็เมื่อวานตัดสิงไปแจ้งความมา พอไม่อยากให้เขาไปทํหรือว่านคนอื่นอย่าไปมีมวรมีกรรมอะไรที่ยวทําบุญทาทานไปแล้วครับอาจารย์ก็พอได้ผ้าด่านเนี่ยก็เลยไม่ได้เอาแบบความแบบจะให้แบบติดฟุ้กอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เขารู้ว่าเออสิ่งที่เขาทามันมันไม่ถกต้องเข า, ารู้อยู่ไม่ได้ไม่รู้เแต่ก็ห้ามตัวเขาเองไม่ได้สู้พิเรนไม่ได้ใช่ครับอาจารย์แล้วก็นี่ไ้ได้บททดสอบที่อาจารย์บอกก็คือช่วงนี้มีอาการป่วยเป็น เอานิ้วในท่อไตครับอาจารย์เป็นมาสองเดือนแล้วครับอก็เลยอย่างช่วงนี้มันช่วงนี้ก็มีทั้งสอบที่เรียนด้วยครับเพิ่งปิดเทอมไปครับแล้วก็เอส่วนมากก็จะมีอาการปวดแล้วก็เราอยู่กลางคืนมากก็ไม่ไหวครับอาจารย์อยาไปทุกข์กับมันอย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันยอมเจ็บยอมเป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปครับก็ได้พัฒมาครัอาจารย์ ทํำให้พอมันเจ็บขึ้นมาเออมันก็นี่แหละมันมันเกิดมาเองมันเลยทุกเหมือนอาจารย์บอกเลยมันแค่บททดสอบเล็กๆเองนะครับได้ได้ได้ประโยชน์จากครับอาจารมันจะได้ปัญญาทุกบ่มีปัญญาบ่มเกิดครับแต่ช่วงเป็นแรกๆอาการย์คือปวดหลังปวดเตรงท้องน้อยสามวันลุกไม่ได้เลยครับอาจารย์อืแต่ก็ไม่ไม่หายก็ด้วยความที่ไปเอ็กซ์เรย์อะไรเงี้ยมันเล็กมากจนหมอกบอกว่าเออแล้ว ให้กินยาแล้วก็กินน้ำเยอะๆให้ขับออกมาเหมือนให้เราอยู่กับมันไปปวดก็เออมันก็เป็นธรรมชาติมันเนี่ยเพราะไม่ต้องไปสนใจมันคนรับอารย์ได้ประโยชน์ ม, มากนะครับเพราะมันก็นทํายากนะใจก็อยากได้หายใจนิดึงก็อยากให้หายไปเพราะว่าพอมันเป็นแล้วมันร่างกายมันรู้สึกมันอ่อนแอลงแ ล, อแล้วก็มันเครียร ง, ง่ายคราาับอาจา นั่งทํางานก็พอรู้ว่าอยากลดทุกข์ก็อย่าประหยัดดีกว่ายอมอยู่กับมันไปดีกว่ามีพอติดเทอมแล้วก็อยากมาฟังพระอาจารย์ครับจะได้มาพัฒนาตัวเองต่อครับพรอาจารย์ตอนนี้ก็ไปนวดท่านอาจารย์ไม่ได้ช่วงนี้วันนี้ก็ไปมาอยู่พระอาจารย์แต่ก็ได้แป๊บเดียวครับแบบก็ได้ชั่วโมงหนึ่งครับแล้วก็ขอตัวทีมงานบอกว่าช่วงนี้แบบไม่สามารถช่วยเก็บเต็นเก็บ อุปกรณ์ได้เงี้ยอืมบอกอถ้าหยิบอะไรมากๆมันปวดขึ้นมามันต้องาารักษาตัวไว้ก่อนนะครับก็ทําได้ที่ไหวครับอาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกเออถ้ามันเกินกําลังเราก็ต้องอุเบกขาครับอาจารย์ถ้ากําลังเรื่มเป็นท้อหงกระเราก็ต้องหยุดนะใช่ครับอาจารย์ไม่มีคําถามครับอาจารย์เอ <Okay. S 2> าอากาศไว้หายเร็วๆนะครอบทุกครับ โอเคแบนี้คนละต่อคนละมีคำถามแมกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์มีคำถามทั้งหมดหคำถามจากทาง Facebook และ YouTube youtube เจ้าค่ะกลาบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับผมเคยได้ยินว่าคนภาวนาควรเปลี่ยนสถานที่ที่ภาวนาไม่ควรอยู่ที่เดียวถ้าผมภาวนาอยู่ที่เดียวแล้วสงบผมจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ภาวนาใหม่ครับ ก็มันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราอยากจะสงบมากกว่านี้นึ่งดีกว่านี้แล้วที่ที่เราอยู่มันไม่สามารถทําให้เราสงบได้มากกว่านี้แล้วอาจจะต้องไปหาที่ใหม่ที่มันกระตุ้นให้เรามีสติมากขึ้นส่วนใหญ่พระท่านที่ทุดดงท่านก็จะเปลี่ยนที่ไปหาที่ที่มันแตกที่ใหม่ที่มันอาจจะไม่รู้จักไม่เคยชินนั่นแหละพอไม่เคยชินกับสถานที่มันก็จะทําให้ต้องมีสติเพิ่มมากขึ้น อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติให้มันเจริญก้าวหน้าอยู่ในที่เดียวได้ก็ไม่ต้องย้ายที่ก็ได้ต้องดูผลที่ของการปฏิบัติของเราว่ามันปฏิบัติแนละ้วมันติดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ขึ้นไม่ลงอยู่ที่เดิมถ้าอยากจะให้มันขึ้นอาจจะต้องไปหาที่ใหม่ที่ไปกระตุ้นให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้น ถามต่อไปพระอาจารย์ได้ตอบเมื่อสักครู่นี้แล้วเรื่องทุดงเจ้าค่ะจึงขอให้ต่อในคําถามต่อไปเจ้าค่ะสองคําถามจากคุณกุชมัยกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเราทราบว่ามีคนนําภาพพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเคารพไปโพสต์เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนเราควรจะวางตัววางใจอย่างไรดีเจ้าคะก็เป็นเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่เกี่ยวแล้วเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปคำ ถ, ถามต่อไปการบรรลุธรรมเราไม่จำเป็นจะต้องบวชต้องไปอยู่วัดใช่ไหมคะคารวาที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงก็สามารถบรรลุธรรมได้ใช่ไหมเจ้าคะได้แต่มันมีน้อยก็ร้อยเปอร์เซ็นี่คารวาบรรลุธรรมมันจะเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้น ส่วนใหญ่ 99% นี้เป็นพระทั้งนั้นนอะดูพระหลานครูบาอาจารย์ต่างๆนี่มีคาราวาสไหมน้องปู่น้องตาทั้งนั้นเลย<ม>เพราะ<ม>ช่องวงการบินนต่างๆกันเป็นคาราวาสช่วงวงการบินมันน้อยกว่าการเป็นพระแต่ก็ไม่ปฏิเสธสําหรับคนบางคนที่มีบารมีเก่ามาอันนี้ก็เป็นอาจจะบรรลุได้อย่างง่ายดายแล้ว ร, รวดเดือกก็ได้ แต่มันจำนวนน้อยมากถึงบอกแค่ร้อยหนึ่งอาจจะมีแค่คนเดียวที่เป็นคารวาสสองร้้าจุดเก้าคนนี่นน <c oughs> เป็นพลาทั้งนั้นแหละ้ำถามต่อไปจากคุณพีทกราบนมัสการเจ้าคะ่ะถ้าเป็นเพียงแค่คารวาสแล้วปฏิบัติถึงขั้นได้เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ตามลำดับ จะต้องถือศีลแปดหรือจะปฏิถึงจะปฏิบัติได้สําเร็จมั่งผลนิพพานใช่หรือไม่คะหรือเพียงแค่ศีลห้าเจ้าคะเพราะมันก็ไม่รู้ละถ้ามันแต่ละคนถ้าปฏิบัติถึงขั้นขั้นผ้าหลานนั่นส่วนใหญ่ก็เป็นนักบ่วยกันทั้งนั้นถ้ามี็นฆร า, าวาสก็อย่างน้อยก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปทั้งนั้นนะเพราะศีลห้ามันจะยังติดกามอยู่ยังติดกามผสมอยู่ ถ้าถึงสีนห้าก็อาจจะได้แค่ขั้นโสดาบันนะแต่ถ้าจะไปขั้นสูงกว่า น, นั้นมันก็ลกถึงศีลแปด่ไหมมันต้องราบ ก, การมไม่ได้น้ำสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการพระอาจารย์คะ่ะหนูขอสามีไปบวชชีพราอมช่วงปีใหม่เก้าวันตอนนี้ยังไม่มีคำตอบ นูเขียนใส่ปฏิทินว่าจะไปภาวนาบนเขาเก็บของบางส่วนแล้วถึงวันจะลากกระเป๋าออกจากบ้านเลยนูต้องรักตนเองไม่สนใจเรื่องอื่นใช่ไหมคะเราไม่รู้แลลวแล้วแต่เราจะจะทำยังไงก็ต้องตัดสินใจเองเพราะมันมีผลกระทบกับเราอย่างทางใดทางหนึ่งใบทางธรรมอาจจะได้ธรรมะแต่อาจจะเสียผัวก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเรา เราพยายามลบผลของการกระทําของเราหรือไม่เราเป็นผู้กระทากรรมนั้นเราเราต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํากรรมนั้นนั้นนนไม่มาเกี่ยวกับเรานะาไม่ยุ่งด้วยเรื่องกรรมให้กรรมมันอย่างเดียบอกว่าทางไหนดีทางไหนไม่ดีเราก็บอกได้ทางธรรมมันดีกว่าทางโลกอ่ะเ้าไปทางธรรมได้มันก็ดีแต่ยาวทั้งสองอย่างไม่ได้ไ ป, ไปทางธรรมแล้วยังอยากจะได้ทางโลกด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้ ถ้าไปทําธรรมก็ต้องยอมเสียสละทางโลกไปเนี่ยต้องยอมเสียผัวไปแต่ผัวไปมี้มือผัวใหม่ไป ม, มีมีใหม่ก็ต้องปล่อยเข้าไปไม่ว่าเขาไม่ได้เพราะเราทิ้งเขาแล้วนี่เราทิ้งเขาแล้วเขาเขาจะไปหาของใหม่ก็เป็นเรื่องของเขาไปโอเคแล <Okay S 1> นะ้หมดแล้วเหรหมดแล้วเจ้าค่ะเราคิดบ่าพอสมควรกับเวลาสหับวันนี้